ยันเวลาการขราบฐนนิสารานี่ยังไม่ค่อยมีพระหัวหน้ามาเป็นหัวหน้าอะไรก็มีพระพระธรรมดาที่เป็นพระลองลงมาแล้วก็อาตมาก็อายก็อยู่มาทํางานๆจนกระทั่งค่อยๆขยับตําแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งกายมาอยู่หัวแถวก็เลยก็เลยลองลองลองลองพูดอยูตอนต้นก็พูดไม่ค่อยเป็นเพราะไม่ค่อยได้พูดมา ผมมาเริ่มพูดกันเ่นปีสามเก้าเนี่ยก็พูดมาได้ประมาณเก้าปีใหม่ๆก็ประมาณว่ามันนุ่งกวกลวเดี๋ยวพูดไปแล้วมันไม่รู้จะพูดอะไรหรอกอาจารย์ทางคนคนฟังก็ตั้งใจจะฟังคนพูดก็ตั้งใจจะพูดแต่แต่ไม่มีอะไรออกก็จะจะเทพไปทางแนวปริยัออยติก่อนคือก็ายามจำไว้ว่าวันนี้จะพูดอามรดกแปดจะท่องไว้ว่าวานันมรดกแปดมีอะไรบ้าง สมาธิสมาสังคโปแล้วก็อายแนวปริยัตสาพูดไปแล้วก็ขยายความไปถ้าอ่านหนังสือช่วงแรกๆจะเห็นว่ามันเกี่ยวกับโลกป ร, ร, ริยัตมากมรแปดอริยสัจสี่เมตพรมวิหารสีอะไรเนี้ยก็สายแนวนี้ไปแล้วพอต่อมากล็ลองลองไม่คิดไม่ตั้งใจว่าจะพูดอะไรก็พูดไปเลยมีอะไรก็มาก็พูดไป คือรู้สึกว่าเวลาพูดแบบนั้นมันเป็นธรรมชาติกว่าเพราะเวลาเราจะพูดแบบปริญัตนี่บางทีมันมันคล้ายๆว่าเราบังคับให้มันอยู่ในกรอบแต่เวลาเราพูดมันมีเรื่องที่มันจะต้องไปนอกกรอบแล้วก็พยายามดึงมันเข้ามาในกรอบเวลาฟังมันก็เลยฟังไม่ไม่ไม่รื่นหูมันไม่ไหลไปตามเหตุตามผลตามเรื่องราวที่เราจะมีมาเกี่ยวข้องกันพยายามจะดึงกลับเข้ า, ขามา มันก็ฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันขัดขัดแต่ถ้าเราพูดไปตามธรรมชาติคือมันไม่อยู่ในกรอบก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันค่ๆว่าอยู่ในเรื่องที่เราพูดกันอยู่แล้วมันมีมีความเกี่ยวพันกันต่อเนื่องกันแล้วมันช่วยเสริมกันได้บางทีเราพูดเรื่องนี้แต่มันไปผูกที่ไหนก็ไม่ทราบมันก็แต่มันก็มีมีมีทางไปของมัน เวลาฟังไปมันก็มันก็เพลินดีมันไม่รู้สึกเหนื่อยคนพูดก็ไม่เหนื่อยคนฟังก็ไม่เหนื่อยแต่ถ้าคนพูดตั้งใจจะพูดแต่เรื่องนี้เรื่องนี้แล้วพอมันจะมันจะแวบออกไปก็ดึงมันกลับมาดึงมันกลับมาบางทีมันฟังแล้วมันมันมันไม่ค่อยมีเหตุมีผลกันเท่าไหร่ก็เลยอย่างนี้ลองลองพูดแบบไปคือมันก็มีเป็นเรื่องธรรมะนะ อาจจะเป็นผู้วันนี้พูดเรื่องเรื่องเรื่องที่ศรัทธาเนี่ยญาติโยมวันนี้มาทําบุญด้วยศรัทธามีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องทําดีได้ดีทำเชื่อได้ชื่อก็พูดไปก็อธิบายขายายความไปมีอะไรที่เราพอจะยกตัวอย่างได้ก็ยกตัวอย่างไปว่าการฟังเทศน์นี้ถ้าเราเอาเนื้อเนื้อเอาแต่ชื่อมาเช่นสัมมาทิฏฐิเนี่ย มันบางทีคนฟังมไม่เข้าใจคนพูดอาจจะเข้าใจสามมาทิฏฐิว่าเป็นยังไงแต่คนฟังนี่อาจจะฟังไม่เข้าใจต้องขยายความว่าเป็นอย่างไรถ้าพูดไปในทางปริยัติก็จะพูดไปที่ตัวอักษรตัวหนังสือเช่นสัมมาแปลว่าความถูกต้องทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องอย่างไรก็อธิบายไปถูกต้องตามความเป็นจริง ตามจริงยกตัวอย่างสุนัขก็ต้องว่าเป็นสุนัขแมวก็ต้องว่าเป็นแมวเทียบตรงกับความเป็นจริงถ้าเห็นแมวเป็นสุนัขเห็นสุนัขเป็นแมวอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะมันขัดกับความเป็นจริงเช่นเดียวกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เป็นสิ่งที่ตรงกับความเป็นจริงเพียงแต่ว่าพวกเรา ยังไม่มีปัญญาหรือไม่มีเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมที่จะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้เ <c oughs> ช่นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเรื่องจิตวิญญาณของเร า, ญญาเราไม่รู้ทั้งๆที่ตัวเรากับจิตวิญญาณนี้มันอยู่ด้วยกันทํางานมาตลอดเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดเวลาแต่เราไปหลงว่ามันอยู่ที่ร่างกาย เราเลยไม่เห็นจิตวิญญาเราเห็นตัวจิตของเราเพราะจิตกับร่างกายนี้มันเป็นเหมือนกับน้ำกับขวดน้ำที่มันอยู่ในขวดเดียวกันตัวจิตตัวน้ำก็เลยเป็นเหมือนรูปรูปขวดไปแต่ความจริงตัวตัวน้ำมันไม่ใช่เป็นขวดแต่ถ้าเอาไปใส่ขวดกลมๆมันก็คิดว่าจิตเป็นตัวกลมๆถ้าเอาไปใส่ขวดเหลี่ยมก็คิดว่าจิตเป็นตัวเหลี่ยม เราก็เหมือนกันเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็คิดว่าเราเป็นมนุษย์มีรูปร่างอาการสามสิบสองถ้าเราไปเกิดเป็นแมวเราก็คิดว่าเราเป็นแมวมีรูปร่างเป็นแมวคือจิตเกียคิดว่าตัวมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงตัวจิตมันไม่ได้เป็นรูปร่างอย่างนั้นมันเพียงแต่อาศัยรูปร่างของร่างกายนี้ของมนุษย์ก็ดีของแมวก็ดีของสุนัขก็ดีเป็นพาหนะหรือเป็นเครื่องมือ ที่จะเอาไปใช้ตามความอยากของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดดังนั้นมันต้องการร่างกายนี้เพื่อที่จะได้ไปนํำไปสิ่งที่มันต้องการมากิเลส ก, ก็ต้องการรูปเสียงกลิ่นโโรสโผฏฐัพพะที่เรียกว่าการมาคุณที่เรามาเกิดในโลกนี้ก็เพราะว่าการมตัณหาพามาเพราะจิตยังมีความผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นโโรสโผฏฐัพพะ จะเป็นส่วนหยาบหรือส่วนละเอียดเพื่อเช่นกันถ้าเป็นส่วนหยาบก็ต้องมีร่างกายเช่นร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเป็นเป็นเครื่องมือเหมือนกับกล้องถ่ายรูปเราอยากจะมีรูปไว้เป็นที่เราเลิกเราก็ต้องมีกล้องถ่ายรูปถ้าเราอยากจะมีเสียงไว้ฟังเป็นที่เราเลิกเราก็ต้องมีเครื่องอัดเสียงจิตก็เช่นเดียวกันถ้าจิตอยากจะ เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็ต้องมีร่างกายร่างของมนุษย์ร่างของเดรัจฉานก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมได้ร่างของมนุษย์เพราะพระว่าได้รักษาศีลมาได้ทําบุญทําทานรักษาศีลมาก็ได้ร่างของมนุษย์ถ้าไม่ได้รักษาศีลเช่นทําแต่ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นเดรัจฉานที่ สมบูรณ์ด้วยพวกทรัพย์คือมีรูปร่างสวยงามเวลาเป็นมีรูปร่างสวยงามใครเห็นใครก็อยากจะเอาไปเลี้ยงเช่นสุนัขที่เราไปชื่อมาตัวพันแผงตัวละหลายพันบาทเพราะมันมีรูปร่างที่สวยงามสุนัขตัวนั้นถ้าพูดเปรียบเทียบทางหลักธรรมะก็หมายถึงว่าเขาเคยทาทานมาแต่เขาไม่เคยรักษาสิ่ อา น, นิสงส์ของการให้ทานท่านก็แสดงไว้ว่าจะทําให้เรามีโชคลย์สมบูรณ์แล้วก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามรูปพรรณงดงามแต่ถ้าไม่ได้รักษาศีลก็จะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีโชคลา์เช่นเกิดคนกองเงินกองทอง จะไปเกิดอยู่บนกองเงินกองทองของเศรษฐีเขาแต่ตัวเองไปเป็นสุนัขที่มีรูปร่างสวยงามอย่างนี้เป็นต้นถ้าอยากจะเกิดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่บนกองเงินกองทองมีรูปร่างหน้าตาสวยงามรูปพรรผ่องใสก็ต้องรักษาศีลด้วยแล้วก็ทำทานด้วยหรือไปเป็นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดจากการทาทานกับกา รักษาสีเป็นหแลบบักนี่เป็นเรื่องของจิตที่ยังมาเกิดในในภของกามะภพอยู่กามะภพก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังมีส่วนที่เรียกว่าเป็นส่วนที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์คือโลกของมนุษย์กระเทศเวลาและก็ส่วนที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขก็คือโลกของอบายของพวกตัดเดลระฉานพวกที่ต้องไปตกนรกนี่ ตรงนี้จะมีจิตจะมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขที่ทําให้มีความรุ่มร้อนมีความทุกข์มากก็ก็ไม่รักษาศีลห้ามีทำอะไรทําผิดศีลอยู่เรื่อยๆก็เลยต้องไปเกิดในอบายทั้ง4ีสาเหตุที่ทําให้ไปตั้งกันก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่เราทําผิดศีลเพราะอะไร มันแสดงไว้ว่าถ้าผิดศินเพราะความไม่รู้คือความหลงไม่รู้ว่าการผิดการการทําผิดศีล น, นี่เป็นบาปเป็นกรรมโดยทําไปด้วยความจําเป็น<ม>เช่นต้องทำมาหากินเลี้ยงปาเลี้ยงท้อง<ม>ก็ไปยิงนกตกปลา<ม>ไปเป็นนายพลเป็นคนชาวประมงอย่างนี้เขาก็ไม่คิดว่าเป็นเป็นเรื่องเสียหายอะไรเพราะมันเป็นเรื่องจําเป็น เขาไม่รู้ว่าเมื่อเขาตากไปแล้วเขาจะต้องไปเกิดเป็นเดละฉา่เพราะความไม่รู้ทำให้ทำให้ผิดสินด้วยความไม่รู้ไปอีกพวกหนึ่งที่ไปเกิดเป็นเปรตนี่เป็นพวกที่ทำเพราะไม่ใช่เพราะความจำเป็นคือพอกินพอใช้แต่ทำเพราะความโลภอยากจะมีมากๆอยากจะร่ำรวยมากๆก็เลยโคดโกงตางด้วยวิธีต่างๆนานา ตรงนี้ถ้าว่าตายไปก็ต้องไปเป็นเปรตเพราะตรงนี้มันได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะพอได้กี่รอยล้านกี่พันล้านมันก็ไม่พอท่านถึงเปรียบเหมือนกับเปรตที่มีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่ากับทะเลหรือหมหาสมุทรกินเข้าไปเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันไม่อิ่มสักทีมันไม่เต็มท้องสักทีก็เพราะมันนี่เพราะความโลภพาไป ความโลภนี้ไม่มีคำว่าไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีคำว่าพอความอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพออยากจะได้เรื่อยๆถ้าทำด้วยความผิดศีลก็จะไปเกิดเป็นเป็นเปรตแต่ถ้าทำด้วยความโลภแต่ไม่ผิดศีล น, นี่ก็ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อยู่เพราะเรารักษาศีลไว้ถึงแม้เราโรภแต่เราทำด้วย ความไม่ผิดสินเราก็ทําขยันทํามาหากินหาขายทํา ง, งานได้เงินได้ทองมามาก ม, มาก่ายกองแต่ก็ยังอยากจะได้เยอะๆก็ทําอีกก็ได้แต่ถ้าไม่ไปทําผิดศินก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปตื่อยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่จะกลับมาแล้วรวยเก่าๆหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ว่าทําบุญมากน้อยเพียงไรถ้าไม่สนใจในเรื่องทําบุญเลยยากหน้ากลับมาเป็นมนุษย์อาจจะจนกก่าบไปได้ แต่ถ้าทำบุญอยู่เรื่อยๆก็จะสะสมบารมีทานบารมีไปเรื่อยๆก็จะเกิดรวยกว่าเก่าดีกว่าเก่าอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านบำเพ็ญทานบารมีมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ส่งให้ท่านได้เกิดในแต่ละภพในแต่ละชาติที่ร่ำรวยเป็นลูกของกษัตริย์บ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นเศรษฐีบ้างก็เพราะอํานาจของทานบารมีที่ได้ทาํามาเนี่ยส่วนพวกที่ทํา ทำผิดศีลด้วยความกลัวท่านก็บอกว่าเป็นพวกอระสุนลกายนะพวกอระสุนลกายนี่เป็นพวกที่มีแต่ความหวาดกลัวหวาดวิตกมีแต่ความกังวลกลัวจะอดอยาขาดแคลนกลัวจะยากกลัวจะลําบากก็เลยต้องไปลักไปขโมยมาเพื่อที่จะได้เผื่อไว้ก่อนทั้งที่ในปัจจุบันมันก็พอมีพอกินพอใช้ ย, ยแตห่ห่วงนู่นห่วงนี้เกินเหตุเกินผลไป ในยอมไม่กล้าสู้กับความยากความลําบากความยากความลําบากนี่มันไม่ฉุดวิสัยของจิตเราที่จะสู้กับมันหรอกเพราะว่าในชีวิตของคนเราเกิดมาในที่สุดเราก็ต้องเจอความยากลํำบากคือความแก่ความเจ็บความตายนี่ทุกคนดังนั้นความยากความลํำบากนี่จึงไม่ควรเป็นเหตุที่ทําให้ผักดันให้เราไปทําการผิดศีลผิดธรรมเราสามารถตั้งอยู่ในศีลในธรรมได้ อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอาวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมก็คือศีลธรรมนี้เป็นเป็นต้นถ้าระหว่างก็การที่จะต้องรักษาคือต้องฆ่าเขาหรือให้เขาฆ่าเราซึ่งว่าให้เขาฆ่าเราดีกว่าคือถ้าเปรียบเทียบคือมันต้องตายด้วยกันทั้งคู่นะแต่ถ้าเราฆ่าเขาเราผิดศีล เราตายไปแล้วก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานว่าเรารักษาชีวิตของเราเราไม่ได้ฆ่าเพราะความกลัวความโกรธหรือความโลภแต่เราฆ่าพวกเราอยากอยากจะอยู่เราจะรักษาชีวิตของเราเหมือนกับที่เป็นนายพรานไปยิงไปยิงจ่าเพื่อเอามาเลี้ยงหล่อเลี้ยงชีวิตเขาในลักษณะเดียวกันก็ต้องไปเมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดที่ต่ํา แต่ถ้าเรายอมไม่เข้าท่าเราเราตายไปเราไปเกิดที่สูงว่าเราไม่ผิดสิ่งดีไม่ดีเราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็ได้พิจารณาเห็นว่าเกิดแก่จ็บตายเป็นธรรมดาพระสวดาบานันท่านก็มีดวงตาเห็นทางที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานะร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้น มีการเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาไม่ว่าจะจะทำอย่างไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเราต้องมาเลือกระหว่างการที่จะแกจะเจ็บจะตายด้วยการมีสิ่งหรด้วยการไม่มีสิลก็ให้เลือกเอาวิธีที่มีสิลดีกว่าเพราะไม่ขาดทุนคือพบหน้าชาหน้ามันดีกก่า หรืออาจจะดีทั้งในชาตินี้ก็ได้จิตใจมันมันปร่งได้มันตัดได้มันเห็นความเป็นอนิจจังเห็นใจรักอห็น จ, จังทุกขงาาังอนัตตามันก็จะไม่ไม่ทุกข์กับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ไม่ต้องไปทํำบาปทากรรมนนี้คือเรื่องของกรรมที่พวกเราทุกวันนี้ทํากันอยู่เพรก็สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเป็นหลับ ส่วนใหญ่พวกเราถึงแม้จะได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลาคำว่าสัมมาทิฏฐิแต่พอมาใช้จริงๆมันก็ยังไม่เข้าไม่เข้าล็อกไม่เป็นอย่างที่วันนี้อธิบายให้ฟังใช่ไหมอย่างที่ท่านบอกให้ละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเราก็คงจะฟังแล้วบอกถึงขนาดนั้นเลยนะพราพี่รรู้สึกึว่าเราควรจะป้องกันตัวเองได้ะนะครับว่ารักษาชีวิตตัวเองป้องกันไว ก็ปกติมันก็ต้องดูแลรักษาชีวิตของเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปหาหมออ ะ, อะไรอย่างนี้แต่ในพูดในกรณีที่มันต้องเลือกอ่ะต้องเลือกระหว่างที่ว่าจะต้องไปฆ้าผู้อื่นเพื่อรักษาชีวิตของเราหรืออาจจะต้องไปขโมยเงินข้าวของเงินของเขาเพื่อที่จะมามาเลี้ยงดูชีวิตเราเช่นคนยากจนนี้บางทีต้องไปขโมยข้าวของอ่ะ มามารักประทานถ้าเราเป็นคนที่มีความหนักแน่นในธรรมแล้วก็ทนอดทนหิวไปแล้วพยายามหางานหาท่าหาการอะไรทำไปคงจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สิ้นหวังไม่สิ้นทางหรอกถ้าคนเรามีความพยายามมีความต่อสู้ที่จะถามาด้วยความเจิญเดินไปข้างถนนมันก็ถ้ามีปัญญามัมนก็เห็ น, นเงินเห็นทองเต็มไปไมหมดแล้ เศษขยะที่คนเนี่ยอตาตมาเดินลงไปทั้งวันเนี่ยเห็นเหนขวดเปล่ากระป๋องเปล่าข้าวของอะไรที่บางทีเงินก็มีเศษเงินก็มีหล่นอยู่ตามทา ง, ทางถ้าเราถ้าเราจิตใจมุ่งมั่นในการรักษาศีลและมันรักษาได้แต่ถ้าคนที่ไม่อยากจะรักษาศีลแล้วมันก็จะหลอกว่ามันยาก ก็ลอยกรณีที่มีมีโจรจะมาทําร้ายเราอย่าเงี้ยนะฮะ<ช>เราก็ต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องชีวิตเ ร, <ช>เราเราเผชิญจะไปฆ่าเขาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเพราะจิตเร า, านะสัมมาถถที่ติดเรายังอยู่ในขั้นต่ำไงแต่ถ้าเป็นพระอริยะท่านก็อาจจะคิดว่าเราเคยไปทําอะไรเขามาก่อนเราเคยไปขโมยเขามาก่อนเขาก็จะมามากรรมมันมามามามาทวงคืนเหมือนพระโมกลาพระ ที่ท่านบอกท่านมีฤทธิ์แต่ท่านไม่ใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะหนีจากการที่จะต้องถูกทำลายชีวิตเพราะท่านบอกว่าเคยเคยไปทําลายชีวิตเขามาก่อนเขาก็ต้องมาตามหนีเขาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาอีกดิกรรมหนีไม่พ้นนี้เมื่อจิตใจของท่านไม่ได้มีความอาลัยอาวรไม่มีความผูกพันกับชีวิตแล้วเพราใจาของท่านอยู่ได้โดยไม่มีชีวิต ว่าเวลาท่านเข้าสมาธิท่านทำจิตให้สงบท่านก็ไม่ได้อาศัยร่างกายนี้ไว้ทำอะไรร่างกายนี้เอาไว้ใช้รับใช้พวกเรามากกว่าเอามาสั่งสอนมาเทศนาว่าจาวสั่งสอนแต่จิตของท่านไม่ต้องอาศัยร่างกายนี้มาให้ความสุขกับท่านต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงอยู่ถึง45พันษาก็เพื่อพวก เ, เ, เราเท่านั้นเพื่อที่จะได้เ้ยแผ่ธรรมะ ให้ผพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้<ม>ก็เพราะการเสียสละของพระพุทธเจ้าถ้าทร<ม>งตัดสินใจว่าไม่สั่งสอนตั้งแต่วันที่ท่านเกือบจะปรงแล้วที่ว่าสอนไปก็ลำบากลำบุงคนฟังก็ไม่เข้าใจเพื่อจะหาว่าบ้าหรือเปล่าสอนให้ทำอะไรอย่างนี้สอนให้สละชีวิตเพื่อรักษาศีลธรรม แต่หลังจากที่มีท้ามหาคมมาอาราธนาให้ไปโกรธให้พิจารณาว่ามีคนที่เชื่อก็มีคนที่ไม่เชื่อก็มีคนดีก็ ม, กมีคนที่ไม่ดีก็มีหลังจากที่ได้พิจารณาแล้วก็ทรงเห็นว่าคนเราก็มีเป็นพวกบัวสีเหล่าพวกที่หูหนวกตาบอดแบบที่ไม่มีโอกาสที่จะเห็นเห็นเดือนเห็นตะวันก็มีพวกนั้นก็ปล่อยเข้าไป อาพวกที่เขาตะ ก, กี้ตะกายจะแสวงหาการหลุดพ้นอยู่เช่นพระปัญเจพระปัญจวัคคีย์ที่จงติดตามพระพุทธเจ้าก็มีความใฝ่ศาถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความผิดก็เลยทำให้รงมีกำลังใจที่จะประกาศสอนพระศาสนายิ่งแต่ว่าจะเน้นไปที่คนที่มีความรู้ความสามารถที่จะ รับได้โดยเฉพาะคนที่รู้เร็วเพราะสอนพวกนี้แล้วเขาจะได้มาช่วยท่านสอนอีกต่อเนื่องาไปสอนคนที่ต้งคู่จําที่ย่ำชัยวันละสิบครั้งเรต้องสอนไปอีกสิบปีกว่าจะเข้าใจนี่เสียเวลามากหนอนพวกที่ฉลาดแสดงธรรมเพียงครั้งสองครั้งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็แล้วหลวงพ่อบเจา้าวันขี้แสดงธรรมครั้งแรกก็มีท่านอญญญ น, นยานโกนทัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรม รั้งเป็นผ้าโสดาบันขึ้นมาสแสดงไปไม่นานก็บรรลุเป็นผ้าหลานขึ้นมามีผ้าหรงผ้าหลานปรากฏขึ้นมาหรูปคือพระพุทธเจ้าแล้วก็พระปัญจลคีร์แล้วพอไปสแสดงให้กับนักบวชสำนักอื่นสแสางทันทีให้ทั้งทั้งวัดเลยทั้งห้าร้อยรูปก็บรรลุทีเดียวห้าร้อยรูปเลย พราะนักบวชส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเขาก็มีทานมีศีลมีสมาธิอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาไม่มีและไม่มีได้มีได้เพียงคนเดียวก็คือรู้ได้เพียงคนเดียว ค, คือโลกุตระธรรมหรือที่เรียกว่าปัญญาพิปัจจนาปัญญาคือใจรักรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอนัตตาอนิจจังทุกขังนี่ก็พอจะเห็นกัน อ น, นี้จังคนเราทุกคนเกิดมาก็เห็นว่ามีแก่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ในสังข์แต่ไม่รู้วันัตตาพวกเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนหลวงนักบวชสมัยนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันตอนต้นตอน ต, อน ต, อนตอน้นประศึกษาที่สำนักต่างๆก็ไม่มีใครสอนเรื่องอนัตตาตัวอนัตตาตั ว, ตวนี้หละเป็นตัวที่ทําให้หลุดพ้นจากการยึดติดในร่างกาย ในเมื่อเรารู้ว่าไม่ใด้เป็นของของเราแล้วเราไปไปไ ป, ไปเฝ้าไปรักษาไว้ทำไมเงี้ยคนก้าวเงินมาฝากเราแล้วเราก็โง่ไปรักษาให้เขาเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็มาเอาไปนะเราก็เหนื่อยอุตสาดูแลรักษาไม่กล้าไปไหนคอยเฝ้าคอยอะไรพอถึงเวลาเจ้าของเขาก็มาเอาไปเราก็เหนื่อยแล้วก็ทุกไปกับมันเาเปล่าร่างกายนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวพอถึงเวลาเจ้าของเขาก็ม า, าคืนไป คือดิ่มน้ำลมไฟเขาก็มาเรียกคืนไปกลับไปสู่น้ำกลับไปสู่ลมกลับไปสู่ดินกลับไปสู่ไฟนะร่างกายนี่มาถึงเวลาเขาก็มาเอาไปแล้วจะมาเอาเวลาไหนเ้าก็ไม่บอกด้วยบางทีให้เราอยู่สักสิบปีเขาก็มาเอาไปแล้วบางทีก็อยู่กับเราถึงแปดสิบเก้าสิบปีเขาก็เอาไปแต่ในที่สุดเขาก็เอาไปเราก็เห็นเห็นกันอยู่ล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ของเรา เราก็ยังคิดว่าเราตายอยู่นั่นนะพอพอแก่พอเจ็บพอตายพอคิดถึงมันมันยังไม่ทันแก่ไม่ทันเจ็บไม่ทานตายมันก็ทุกขนะ์อ่ะเพรความหลงความหลงว่ามันเป็นเราเป็นของของเราเคยยกตัวอย่างว่าเวลาสมมุติถ่ายเกิดเกิดคลอดลูกคนมาที่โรงพยาบาลแล้วพยาบาลเขาสลับลูกเอาลูกของคนอื่นมาให้แล้วก็เอาไปเลี้ยงแล้วก็ไม่รู้เป็นลูกเราแล้วก็เลี้ยงมันอย่างดีรักมันอย่างดี พอวันดีคืนดีก็าเาหลักฐานมาแสดงว่านี่ไม่ใช่ลูกของคุณนะรักเลี้ยงไม่ลงลนะฮะเลี้ยงไม่ลงน <c oughs> ะเพราะความหลงเพราะความหลงว่าไปเห็นว่าเป็นของเราเป็นตัวเราเท่านั้นแหละพอพอพอพอเห็นแล้ววันนันไม่ใช่ของเรามันก็เลยไม่ได้ไปมีความผูกพันกับมันมันจะเป็นจะตายอย่างไรก็ก็ไม่เดือดร้อ น, นท่านึสอนให้เราพิจารณาร่างกายของเรา ด้วยขันห้านี้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติก็ได้มันเป็นของธรรมชาติรูปก็มาจากเิทรูปก็มาจากดินน้ำลมไฟที่เป็นอาการสามจุดสองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อาศัยร่างกายนี้เป็นเป็นตัวทําให้เกิดขึ้นมาเช่นเห็นรูปก็เกิดมีมีวิญญาณไปรับทราบ เวลาตาสัมผัสกับรูปก็มีจักขุวิญ ญ, ญาณปรากฏขึ้นมาในจิตดูรับรูปรูปดูรับดูเสียงก็โศตวิญ ญ, ญาณอันนี้มันก็เกิดดับเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยถ้าหลับตาปั๊บไอจักขุวิ ญ, ญญาณก็ไม่มีลรับไม่ได้เพราะไม่มีภาพไม่มีไม่มีการสัมผัสของรูปกับของตาถ้าปิดหูเสียงเสียงเข้ามาในหูไม่ได้ ไอ้วิญญาที่จะรับรู้เรื่องเสียงมันก็ไม่ปรากฏขึ้นมาตัว น, นี้มันก็อยู่ในจิตตัววิญญาเนี้มันเป็นเป็นอาการของจิตทําหน้าที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโถสัพะรับรู้แล้วพอพอเสียงนั้นหายไปความรับรู้นั้นเกี่ยวกับเสียงนั้นมันก็หายไปทุอย่างถ้าบอกว่ า, าวมีแต่เพราะจิตอย่างเดียวนี่มันไม่ทราบใช่ไหมครับ แล้วต้องมีตัวก <c oughs> ็วเวลาจิตมันรวมตัวลงสงบมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรเหลืออยู่ในในจิตเลย <c oughs> ตรงนี้เหมือนที่ท่านอธิบายให้ทุกเม็ดฟังว่าเอ่อการคือรู้เฉยๆ ใ, ใช้ไม่ได้ยังต้องให้รู้ลงไปในแท้แต่รักเข้ามาใช่ไหมอันนี้คือตอนที่ฝึกให้รู้เบื้องต้นเพียงการฝึกสติเนี่ยคือให้จิตเกาะ อ, <Fellow> hmm. อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง <c oughs> ไม่ให้มันลอยไปลอยมาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันมีสติไว้ สตินี้เป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวบังคับให้จิตทําตามคําสั่งของเราถ้าเราไม่มีสติเราจะาไม่สามารถสั่งให้จิตให้เกาะ อ, อยู่กับเรื่องนั้นเกาะอยู่กับเรื่องนี้ได้เพราะเราจะให้มันคิดเรื่องนี้เดี๋ยวมีเรื่องอื่นเข้ามามันก็มาดึงไปและทำให้แต่ถ้าเรามีสติที่แข็งที่กล้าเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาอย่างไงมันก็ไม่สามารถที่จะมาทําลายสมาธิของเรา ที่เราอยู่กับเรื่องนั้นสิ่งนั้นได้ดังนั้นในเบื้องต้นก็ต้องฝึกสติก่อนให้รู้อยู่กับอาการร่างกายของเรา<ม>เช่นเวลาเราเคลื่อนไหวในอิริยาบถสีเือเราทําอะไรก็ให้รู้อยู่กับการกระทํานั้นๆเป็นการฝึกพัฒนาสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานนี้ก็มีมีอยู่4จุดด้วยกันที่เราสามารถเป็นที่ตั้งของสติได้กาย เวทนากายเวทนาจิตรมขึ้นอยู่กับว่าเราจะถนัดในในส่วนไหนถ้าเราถนัดกับกายก็ให้มีสติรู้อยู่กับกายถ้าเราถนัด ก, ก, กับเวทนาก็ให้รู้อยู่กับเวทนาเวลาเกิดสุข ก, ก็รู้ว่าสุขเวลาเกิดทุกก็รู้ว่าทุกเวลาไม่สุกไม่ทุกก็รู้ว่าไม่สุกไม่ทุกแต่ไม่ไปพยายามที่จะไปควบคุมบังคับมัน เพียแต่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้ว่ามันเกิดขึ้นยแล้วตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตามันไม่ใช่เป็นเราเป็นของของเราเหมือนเสียงนกที่เราฟังเนี่ยก็รู้ว่ามันเสียงนกตอนนี้หายไปละก็รู้ว่ามันหายไปมันมาก็รู้ว่ามันมาแต่ไม่ไปอยากให้มันหายไปหรือไม่อยากจะให้มันร้องไปตลอดเวลารู้ตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปยึดไปติด แ้่เราไปยึปดไปติว่ามันเสียงสวยเสียงน่าฟังไปแล้วเดีย๋ยวถ้ามันหยุดก็รู้สึกว่ามันขาดหายไปละความถูกความสุขที่ได้จากการได้ยินเสียงนั้นก็หายไปก็เกิดความอยากอยากจะฟังถึง้องไปสร้างไอ้เครื่องอัดเสียงกันมาไว้เครื่อเอามาฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆพอฟังบ่อยๆก็มันก็เบื่อ อ, อีกเพราะว่าของในโลกนี้มันไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง เราไปหลงยินดีกับมันมันเลยทําให้มันเกิดความสุขขึ้นมาถ้าเราไม่ไปหลงมันก็เป็นของกลางๆมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ใจเราเมื่อไปเกิดความหลงขึ้นมาไปยินดีกับสิ่งใดก็อยากจะได้อยู่กับสิ่งนั้นนานๆถ้าสิ่งนั้นเกิดจากข้นไปก็เกิดความเสียอกเสียใจยขึ้นมาเช่นเราเห็นลูกใครสักคนเช่นสามีเราภรรยาเรา เราก็อยากเราชอบคนนี้เราก็อยากจะอยู่กับเขาไปเรื่อยๆถ้าเกิดเขาหายไปเราก็เสียใจเราทุกข์ใจแต่ถ้า่ถ้าเราไม่เคยเจอเขามาก่อนเลยแล้วไม่เคยไปได้อยู่กับเขาเป็นสามีภรรยากันเวลาก็หายไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปมีความผูกพันกับเขานั่นเอง ศาสนาสอนให้เราอย่าไปผูกพันกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่อยู่กับเราไปตลอดจิตเรานี่มันเป็นของที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บมันมีอายุยืนยาวเป็นล้านล้านปีแต่เราดันไปผูกติดอยู่กับของที่มีอายุแค่สี่ห้าสิบปีนั่นไม่ถึงด้วยซ้ําไปพอของสิ่งนั้นมันเกิดชำรุดพิโทมหายไปไอจิตที่มันอยู่เป็นล้านล้านปีก็ต้องมาเสียใจกับไอของที่มันมีอายุสั้นสัน้นทันเอง แต่พอมันสักพักมันก็หาใหม่มาแทนมันไม่จำมันไม่จดไม่จำมันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่รู้ว่าธรรมชาติแท้จริงของจิตนั้นไม่ต้องมีอะไรมาบำรุงบำเรอก็มีความสุขยิ่งกว่าอันนี้มันไม่เคยเจอเป็ความสุขอันยิ่งใหญ่ของจิตที่สงบนิ่งที่เกิดจากความสงบนิ่งของจิตนี่ตัวมันเองไม่เคยเจอมันถูกควิชาความหลงนี้ ด้วอมิจฉาทิฏฐนี้หลอกให้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้ามาก็หาไปอยู่เรื่อยๆหรือว่าถ้าถ้าบรรลุถึงขั้นสูงสุดในการปฏิบัติของโลคิยธรรมคือได้ฌานสมาบัติได้สมาธิก็จะติดอยู่ในฌานในสมาบัติติดในสมาธิแต่ก็ยังไม่ยังไม่หลุดพ้นเพราะว่ามันยังติดอยู่ในความสุขของชานยังซึ่ง การนั้นก็มีความความไม่เที่ยงนําเสื่อมได้เช่นตายไ ป, ไปเกิดไปบนอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมโลกอยู่สักกี่หมื่นปีก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลานั้นเสื่อมลงจิตก็จะหยาบลงมากลายเป็นเทกแล้วกลายเป็นมนุษย์แล้วก็กิเลสมันก็จะออกมาแสดงรวดลายให้เราไปสแสวงหาความสวิดแล้วก็ต้องไป ถ้เราติดอยู่ในในในในความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วก็จะไปนั่งสมาธิต่อเหมือนกับไปเติมน้ํามันหน่เพื่อให้เราได้กลับไปสู่ความสุขของของชาตถ้าเราเขามีความสุขกับการไปเที่ยวไปนู่นมานี่ไปเห็นรูปไปฟังเสียงเราก็เราก็ไปหาสิ่งนั้นอีกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กี่ครั้งก็จะไปทําอย่างที่เราทําอยู่นี่แบบมาเพราไม่ต้องมีใครสอนใช่ไหมเรื่องไปเที่ยวนี่ลูกต้องขอ พ่อแม่ไม่ต้องสอนลูกว่าไปเที่ยวเลยเดี๋ยวไม่ลูกกลับสอนพ่อแม่จะได้ทัางไปว่าที่ไหนมีที่น่าเที่ยวป่าตอนนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่ฝังติฝังมากับใจมันเป็นตัวเหตุที่ทําให้พวกเรามาเกิดคือการมตัณหาหรือการมฉันทะความยินดีในรูปในเสียงในกล็ดในลดในโสดภะทั้งหลาย มันก็พาเราเวียนไปอย่างเนี้ยเกิดเจ็บเจ็บตากี่รอบกี่รอบก็เป็นอย่างนี้ไปเพราะไม่มีใครมาสอนให้เราแก้ปัญหานี้ก็มีพระพุทธเจ้านั่นแหละที่เป็นคนที่ก็มีปัญหาเหมือนกับพวกเรางแต่ท่านเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่ศึกษาแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจจริงๆที่อยากจะแก้ปัญหานี้ตอนไหนที่สุดก็แก้ได้ ก็มีคนเดียวในโลกนี้เท่านั้นแหะที่จะสามารถแก้ปัญหาของการยินว่าตายเกิดของสัตว์โลกนี้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีครูไม่มีอาจารย์มาสอนที่ไม่มีข้อพ่อไม่มีใครรู้นั่นเองถ้ามีอาจารย์ก็สมมติอย่างพวกเรามาเกิดนี้เรามีอาจารย์อย่างเราคือมีพระพุทธเจ้ามีพระอริยสงฆ์เราจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็เป็นอะไรไม่ได้ด้วยเพราะบนบารมีทําไม่ถึง ขนาดเพียงแต่ทําตามคําสอนของท่านยังทํากันไม่ได้แล้วเราจะไปทําเองมันยังทได้อย่างไรแม่มีแผนที่ยังไม่ไปเลยคีดถ้าใจพกกูดถึงเรื่องไตหลักนะถ้าบอกว่าผู้ที่จ่าเจ้าที่รู้ว่าเอทุกขังอนิจจ์และตานะ่ถ้าเผื่อไม่มีผู้เจ้า ก, ก็รู้แค่ทุกอย่างเดียวตรงนี้ฮะรู้ทุกรู้อนิจนจ์อนิจจ์เท่านั้นเองอตาไม่รู้ พรไม่รู้หน้าตามันเลยไม่คบจุดไม่คบสามไม่บสคราวนี้พูดถึงเรื่องของขันห้าที่ประกอบของร่างกายกายกับใจกายกับจิตเนี่ยเออส่วนที่เป็นกายกับจิตเนี่ยเข้าใจแต่ว่าเอสังขารวิญญาณทั้งหลายสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยต้องประกอบกับกายกับจิตรวมกันใช่ไหมฮะถึงจะเกิดสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเกิดสัญญาเกิดวิญญาณขึ้นก็คือถ้าถ้ามันต้องมีวิญญาณคือมันก็ต้องมี แต่ความจริวิญญาณนี่บางทีท่านก็แสดงไว้หกลักษณะไม่ใช่ห้าคือนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดประภะแล้วก็ยังมีมโนวิญญาณอคือเกิดจากความคิดเพราะฉะนั้นจิตของเราสมม่อเราหลับหูหลับตาเราไม่อะไรแต่จิตมันก็ยังคิดได้ยังปรุงได้ยังรับเวทนาที่เกิดจากจากความคิดของตนเองได้ไม่ต้องอาศัยไม่ต้องอาศัยทุกกายไม่ต้องมีร่างกายอย่างเช่นพวกเทพนี่ ตัวอย่างเวลาที่เรานอนหลับไปเวลาเรานอนหลับนี่เราก็ยังฝันความฝันนี่ก็ออกมาจากนามขันออกมาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเดิงแต่รูปที่เราเห็นมันไม่ได้เป็นรูปหยาบมันเป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์ใช่ไหมเราเวลานอนหลับเรายังฝันเราเห็นนู่นเห็นนี่ไปเห็นได้ไงเวลาหลับตาแต่มันเห็นด้วยใจเห็นด้วยใจมันก็ต้องเห็นด้วยนามขันเป็นตัวตัวพาไป อยเวลาที่เรานอนหลับฝันดีก็เหมือนว่าตอนนั้นเราไปสวรรค์หรือถ้าเราหลับแล้วฝันร้ายก็ตอนนั้นเราก็ไปนรกเพราะะนั้นทั้งห้าอย่างนี้ก็มีเฉพาะส่วนที่เป็นวิญญาณเท่านั้นที่มีอันมนุวิญญาณอยู่ส่วนอื่นต้องประกอบเป็นกายกิจรวมกันถึงจะเกิดนี้อหมายถึงว่านามาขันนี่มันอาจจะไม่ต้องอาศัยร่างกายก็ได้เทพพวกเทพพวกอะไรนี่ตัเรียกกายทิพย์กายละเอียด ไม่ต้องมีกายหยาบอย่างร่างกายครับพวเทศพวกพรมหรือแม้กระทั่งพวกสัตว์นรกนี้เขาก็ไม่มีกายหยาบ <c oughs> เพียงแต่ว่าจิตของเขาเป็นจิตที่มีแต่ความรุ่มร้อน <c oughs> ปรุงแต่เรื่องความทุกข์ถ้าเป็นอสุรกายก็ปรุงแต่เรื่องความหวาดกลัวถ้าเป็นเปรต ก, ก็ปรุงแต่ความหิว <c oughs> ความอยากถ้าสัตว์นรกก็ปรุงแต่ความรุ่มร้อนจิตใจเกิดจากความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท ทำอะไรไม่ได้ดังใจก็โกรธแค้นโกรธเคืองกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เป็นใจของทุกข์นรกความรุนร้อนที่เกิจากความโกรธรุนยาที่ยังไม่ได้ไปเกิดเนี่ยใช่ไหอันนี้ก็ถือเป็นอันนี้เหมือนกันคือความจริงมันก็เกิดแล้วเพราะว่ามันเป็นเภพภูเขาแล้วเป็นพนรกแล้วเป็นคือมนรกหรืออะไรไม่มีสถานที่มันเป็นสภาวะของจิตจิตเป็นนรกเองจิตเป็นสวรรค์เองจิตเป็นเทพจิตเป็นเปรดเป็นอะไร มันเป็นภาวะของจิตที่เกิดจากการกระทำของของสังขารที่ถูกอวิชชาปัจญาสังขารเป็นผู้ปรุงให้ทำอวิชชานี้ถ้าถ้าถ้ามืดบอดมากก็ปรุงเป็นเรื่องเป็นนรกขึ้นมาถ้าเบาถ้าเป็นพวกกลัวก็ปรุงให้เป็นพวกอสุรกายถ้าเป็นพวกโลคก็ปรุงให้เป็นเปรต ถ้าเป็นพวกที่ไม่รู้เรื่องวูราก็ทําให้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นพวกที่มีศีลก็ปรุงให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นเป็นพรมไปแต่ถ้าเป็นพวกที่มีมีดวงตาเห็นธรรมมีวิปัสสนาก็ปรุงให้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปจนพอถึงเป็นพระละหังแล้วก็อวิชชากที่ ตัวตัววิชากจะกลายเป็นตัววิชาไป ต, ตัวเป็นธรรมไปเพราะว่าอาวิชาก็คือความไม่รู้ความจริงไม่รู้ในกายลักเมื่อถูกการการปฏิบัติธรรมพัฒนาจน ก, กระทั่งอวิชาถูกทำลายไปหมด mm hmm. ก็เลยกลายเป็นวิชาปัจญาสังขารไปวิชาก็จะยางจิตของพระพุทธเจ้าของพอาาระอรหันนี้มีแต่วิชามีแต่ธรรมเป็นตัวผลักยังให้คิดให้ทาให้พูต่ตาง ก็จะคิดแต่เรื่องที่ดีที่งามไม่ได้เป็นไปตามความรู้ความโกลความโง่ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกมาให้ความสุขเพราะจิตของท่านนั้นมีพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วมีของดีกว่าที่ของต่างๆที่จะไปหาได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะวิเศษจะประเสริฐเท่ากับความสุขของจิต ความสุขที่ได้ชําระความโลภความโกรธความหลงแล้วความสุขนี้มันมีสองแบบความสงบนี่มันมีอยู่สองแบบความสงบที่เกิดจากการกำหลับทําให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นสงบตัวลงชั่วคราวเช่นเวลาที่เราทําสมาธิตอนนั้นโลภโกรธหลงก็ไม่ทํางานจิตก็เหมือนกับเป็นนิพพานแต่เป็นนิพพานแบบที่ยังมีกิเลสสังตัวอยู่พอออกจาก สมาธิปั๊บกิเลสก็จะออกมาทำงานตามการทำงานของกิตก็จะเริ่มสร้างความโลภความโกรธความหลงตามมาอีก น, นี่อีกส่วนก่อสุดและก็ความสงบอีกแบบหนึ่งคือการสงบที่เกิดจากการตัดพวกโลกโสดหลงให้ออกไปเลยไม่ให้มีเหลืออยู่เลยตรงนี้เป็นความสงบแบบถ้าวรนไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยาบถ4ก็จะสงบอยู่ตลอดเวลา จิตจะไม่มีความหวันไหวไม่มีความกระทบกระเทือนกับอะไรต่างๆที่มาสัมผันธ์กับรูปเสียกับตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็จะเฉยๆนิ่งอยู่เสมอก็นี้เป็นความเป็นความความสงบที่ของพระนิพพานเมื่อทําลายความโลภความโกรธความหลงหุดไปจากจิตจากใจแล้วก็จะไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจ จะทำได้จะกาจัดได้ก็ต้องกําจัดตัวหลงเป็นหลักเพราะตัวหลงเป็นตัวเหตุทำให้โลกทำให้โทย์เราไม่รู้ว่าเรามีความสุขเหมือนกับเราไม่รู้ว่าเรามีมีสมบัติเงินทองเขา้าของอยู่ที่บ้านเต็มไปหมดพ่อแม่เขาเก็บไว้ให้ในตู้แต่ไม่บอกเราเราก็ไม่รู้เราก็ต้องออกไปทำ ง, งานทำการให้เหนื่อยยากไปหาเงินหาทองหามาได้เท่าไหร่ก็นิดเดียวถ้าเปรียบกับเงินทองที่พ่อแม่เขามีเก็บไว้ในบ้านแต่เราไม่รู้ พอทักวันนึ่มีคนมาบอกแล้วบอกไปหาทําไมเสร็จเสร็จเดินเส็จเงิ น, <ม> น, นเงินที่บ้านของพ่อแม่เก็บไว้ให้มีกองเท่าภูเขาะเราไม่ไปหาเอาในบ้านนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็าบอกอย่าไปหาเลยไอ้สมบัติภายนอกมันไม่มีค่าอะไรหรอกสมบัติภายในใจเนอนนี่มันแสงจะวิเศษทําไมไม่ไปหากันเนี่ยมีคุณค่าของพระพุทธเจ้าอยู่ในเนี่ยท่านชี้ชี้ทรัพย์ที่แท้จริงให้เรารู้จัก เมื่อเราได้ยินในฟังแล้เราเกิดศรัทาขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มปฏิบัติตามตัดแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปหาสมบัติเข้าของเงินทองความสุขภายนอกไม่ไปแล้วหลับหูหลับตาทําจิตใจให้สงบเนี่ยตัวนี้จะทําให้เราเข้าไปเจอสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ใน ใ, นใจของเราพอได้แล้วเนี่ยนี่คือนี่คือการแก้ความหลงความหลงคืนเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในจิตในตัวเรา เราก็เลยต้องออกไปหาความสุขภายนอกหาความสุขมาจากทางรูปเสียงกลิ่นรสปวดจังภาคต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เราได้มีคนมาบอกเราแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมีอยู่แล้วในใจเราที่เราก็ต้องพยายามปฏิบัติตามต่อสู้กับความความโลภด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี่เป็นเครื่องมือที่จะสู้กับความโลภได้ความโกรธนี่มันเป็นผลตามมาจากความโลภจริง เวลาเราโลภเราอยากจะได้อะไรแล้วเราไม่ได้อย่างใจเราก็โกรธแต่ถ้าเราไม่โลภแล้วเราจะไม่โกรธจะอะไรหรอใครจะเอาอะไรก็เอาไปของชิ้นเดียวกันนั้นถ้าเราไม่อยากจะได้สักอย่างใครอาไปแล้วก็ไม่เราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดเราอยากได้ขึ้นมาแล้วคนอื่นมาเอาไปนี่ยตอนนั้นมันจะโกรธดัง <c oughs> นั้นความโกรธมันเป็นตัวตามมาตัวเกิดจากความโลภส่วนความโลภก็เกิดจากควา ม, มอยาก การไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันมีอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราแล้วเราจึงต้องมาตัดเนี่ยเราไม่ีเงินต่อถึงบอกว่าอย่าไปทำงานเพื่อหาเงินมาเยอะเพื่อมาทำบุญเพ่แต่ให้ทำเงินที่เรามีเหลืออยู่เงินที่มันพอมันเกินความจาเป็นเนี่ยเราจะได้มีเวลามาภาวนาแทนแท้าใจหม ยงนันไปไปหาเงินไปหาเงินหาทํามันก็หาเสถหาเด่ น, นั่นไม่ยังไม่กลับเข้ามาหาหาทรับยอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวของเราทุกอย่างนี้สอนไปเพื่อให้เข้าสู่การภาวนาแจะไาทางที่ย่ำเงินไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ก็เอาเงินนี่ไปทําบุญเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเที่ยวเอาเงินไปเข้าวัดส ไ, ไปวัดก็ได้ไปทําบุญด้วยแล้วก็ได้ไปภาวนาด้วยไปรักษาสี่งด้วย เพ่ที่เราจะได้ดึงใจเราให้กลับเข้าสู่ข้างในเข้าหาสิ่งที่ประเสริฐที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเองศาสนาพุทนี้ไม่ได้ปิดกั้นใครทั้งสิ้นเพราะทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ในสมัยพุทธกาลนี่มีพระอริยบุคคลทุกเพศทุกวัยทั้งนักบวชทั้งคาราวะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ มันอยู่ที่ว่าเขาเกิดสมมาทิฏฐิขึ้นมาหรือไม่เขาเขาเขาแก้ความหลงเขาได้หรือไม่เคสดมันอยู่ตรงนั้นเองถ้ามันแก้ความมันเข้าใจาว่าเราหลงผิดแล้วเนี่ยแล้วมันมันแก้ได้ตรงนั้นมันก็ไปเร็ว <c oughs> มักแบบท่านถึงแสดงที่สมมาทิฏฐิก่อนเพราะว่าไอ้ตัวนี้ตัวนำเลยมิจฉาทิฏฐิหรือสัมาทิฏฐิถ้ามิจฉาก็ไปหลงทางไปผิดทาง เช่นเราคนก็บอกทางให้เราไปวัดแล้วก็บอกให้ไปทางนั้นแล้วถึงตรงนั้นให้เลี้ยวขวาแต่พอเราถึงตรงนั้นเราไปเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ถึงอ่ะไปกรลาทางทางหลวงนี่กรจัดย่านไคะบางทีไม่รู้ว่าหลวงเนี่ย่จึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังมากๆการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะเหล่เนี้ก็เหมือนการเรียนหนังสืออ่ะ เราอยากจะรู้วิชาความรู้เราก็ต้องไปโรงเรียนไ เ, เรียนีนังสือกันเมื่อเรียนแล้วมันก็จะรู้เองเพียงแต่ทางทางศาสนานี้มันเพียงแต่ฟังอย่างเดียวไม่พอเมื่อมันฟังแล้วมันต้องนําไปปฏิบัติด้วยมันถึงจะทําให้เกิดผลขึ้นมาเมื่อรู้แล้วไม่ทําแต่กลับไปทําตรงกันข้ามกับที่ตนเองรู้มันก็เหมือนกับไม่รู้อยู่ดี รู้ว่าให้ภาวนาก็ยังจะไปหาเงินมาทำทานอย่างี้ <g ib it> <g ib it> ตอนนี้มันเงินไป้ออ้างมากกว่าเพราะ <c oughs> นอกจากมาทำทานแล้วยังเอาไปเที่ยวด้วยอคุณทำงานกินเงินเดือนนะไ <c oughs> <c oughs> ด้บ <c oughs> ้างเ ตอนวันนั้นที่คุณเบก็พยายามบอกว่าท่านอาจารอธิบายตรงนี้คือรูปก็เข้าใจว่าท่านจารบอกว่าถ้าเมื่อได้อัปปนาสมาธิแล้วเนี่ยให้ถอยกลับเข้ามาพิจารณาเดินปัญญาจากตรงนั้นเลยได้ใช่ไหมค่ะคือไม่ได้ให้ถอยออกมาเองให้มันอยู่ของมันจนกว่ามันจะถอนออกมาเองมไม่ได้ต้องคับมันไม่ต้องครับขณะเข้าไปแนละให้มันอยู่ให้นานที่สุดมันเริ่ม าอ่มันออกมาแล้วเริ่ม ค, คิดเริ่มกลุ้งแล้วก็เอาความคิดกลุงนั้นมาเริ่มพิจารณาไปแล้วพิจารณารูปในเบื้องต้นพิจารณาร่างกายของเราว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่า <Okay. S 2> งกายเรามีอาการ32รูปร่างอย่างไรลักษณะอย่างไรก็พิจารณาไปมาจากดินน้ำลมไฟต้องพิจารณาให้เราเข้าใจว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟจริง แล้วกนเอ่อที่ทจารย์ว่าเอ่อสติปัฏฐานสี่ค่ะพิจารณากายหรือว่าที่ที่ที่มาทีละส่วนหรือว่ก็เหมือนกันเนี่ก็ก็เหมือนกับขันห้าก็พิจารณารูปพิจารณากายก็อันเดียวกันเบื้องต้นเราจะเอาทีละส่วนก่อนต้องเาส่วนหยากก่อนเอาร่างกายนี้ให้มันชานาญเลยเห็นทุกส่วนเลยเห็นที่ไรก็เห็นความแก่ความเจ็บความตายรออยู่แล้วเห็นแล้วก็ไม่กลัว เห็นว่ามันต้องต้องละลายกลับไปเป็นดินน้ําเป็นลมเป็นไฟพิจารณาเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามมันเป็นอสุภะเห็นอย่างทั้งถ้าพิจารณาถึงด้านนี่มันได้พระอริยะต้องสามต้องต้องสองขั้นเนี่ยต้องสามขั้นเห็นขั้นพระนาคามียเลยพิจารณาร่างกายนี้พระนาคามีนี้ท่านต้องผ่านร่างกายไปก่อนท่านต้องตัดกามราคะคือความยินดีในในในร่างกายนี้เห็นแล้วจะไม่เห็นว่าสวยว่างาม จะเห็นว่ามันเห็นทะลุตัวปผงเข้าไปอยู่ใ <trying> ต้ผิวหนังปัญญานี้มันสามารถทําให้ผิวหนังนี่เรากลายเป็นเหมือนแก้วใสไปเหมือนแก้วเหมือนพลาสติกเนี่ยมองเห็นทะลุว่ามีอะไรอยู่อยู่ข้างในถุงพลาสติกแต่ถ้าไม่มีปัญญามันก็จะไม่เห็นว่าข้างในเป็นอะไรมันก็จะจินตนาการไปตามส่วนที่มันเห็นภายนอกเช่นคนเข้าซื้อกระเป๋าสวยๆมาให้เราใจข้างในยัดยัดขยะไว้ให้เราเนี่ย เราก็ไปจินตนาการว่าคงจะใส่เงินไว้เต็มกระเป๋าพอเปิดขึ้นมาโอเว่ยมีแต่เศษขยะ <c oughs> ร่างกายของคนเราก็อย่างนั้นน่มันสวยแต่ภายนอกแต่มันไม่สยุยด <c oughs> ้างในนี่มันมสิ่งที่ไม่น่าไม่น่าดูอั่งนั้น <c oughs> แต่เราไม่พิจารณาดูมันก็ไม่เห็น <c oughs> ยังถึงต้องผ่านร่างกายไปก่อนต้องพิจารณาร่างกายการพิจารณาไประยะหนึ่งมันก็จะเกิด ความเหนื่อยขึ้นมาหรือมันเริ่มไม่ค่อยอยากจะพิจารณาหรือมันเริ่มดวนแล้วก็หยุดย้อนกลับมาทําสมาธิพักสมาธิกับปัญญานี่ต้องต้องสนับสนุนกันคือ mm hmm. สมาธิเป็นเหมือนที่ที่หลับนอนที่กินข้าวเหมือนโยมทุกวันเวลาไปทํางานมาแปดชั่วโมงก็เหนื่อยก็ต้องกลับมาบ้านอาบน้ำ ห, หลับตากินข้าวรับนอนพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็มีกําลังวางชาก็ไปทํางานต่อ การเจริญพิจารณาร่างกายกับแบบเนี้ยพิจารณาไปเรื่อยๆซ้ำๆซากๆอย่างเงี้ยให้มันเหมือนกับมันท่องหัดท่องสูตรคูนอะไรเนี้ยให้มันจําได้เลยพอเห็นปั๊บมันก็จะปรากฏขึ้นมาเลยแก่เกิดแก่เจ็บตายอะไรเนี้ยมันจะตามมาเป็นพวงเลยแล้วแต่ถ้ามันมันเกิดมันเหนื่อยขึ้นมาแล้วก็หยุดแล้วเราก็มากําหนดจิตให้สงบเกิดตับริการพุทโธก็พุทโธไปให้มันนิ่ง นิ่งได้นานเท่าไหร่ก็ปล่อยให้มันนิ่งไปพอมันพักเต็มที่แล้วมันก็จะถอนออกมาเองพอถอนออกมาแล้วมันก็เราก็เอาบางพิจารณาร่างกายต่อทำนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาเราเห็นร่างกายแล้วเราเกิดความอยากแล้วธรรมะมันก็เข้ามาดับได้ทันทีมันก็รู้แล้ว่าออกเมื่อก่อนนี้เราเราเราสู้ความอยากนี้ไม่ได้แต่เดีนี้เราสู้มันได้แล้ว ต่อไปความอยากนั้นมันก็จะไม่มีอํานาจที่จะมาหลอกเราให้เราไปอยากอ ย, กอ ย, กอยู่กับคนนั้นอยากจะอยู่คนนี้อยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้ไม่ไม่ทำให้เรากลัวความแก่ความเจ็บความตายต่อไปถ้ายังกลัวอยู่ก็แสดงว่ายังยังไม่ยังเห็นยังเห็นไม่ชัดถ้าเห็นว่าเรา น, นอนตายอยู่แล้วแน่นอนไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะมาแก้ความที่งันนี้ได้แล้วมันยอมรับความที่งานนี้ได้มันก็ไม่กลัวแนะ เพราะกลัวก็มีแต่ความวทุา ก, ากทนนขน์นั่นเรื่องท <c oughs> ี่นักใที่ระสุดที่นักเรื่องของการไม่เที่ยงเรื่องก็เนี่ยอันนีจัง ก, ก็ความเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ก็คือเนี่ยเราไปยึดไปติดมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ <c oughs> ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดมันไม่ได้ไปวางว่าเป็นตัวเราของเรานี <c oughs> ่เราเป็นอสุภะอสุภะก็เพื่อตัดความความอยากในรูปของผู้อื่น <c oughs> เราที่ต้องมีคู่ครองเพราะเรายังเห็นว่าคู่ครองของเราสวยงาม แต่ล้าเราพิจารณาก็มีแต่โครงกระดูกเนี่ยเวลาคู่ครองเราตายแล้วเป็นนอนเขาจะนอนกับเขาไหมแล้วก็เราไม่ยอมเห็นเข้าในสภาพนั้นเราพยายามปรับมันทั้งทั้งที่มันก็คนตายวันเดียวกับคนที่มันก็ไม่ต่างกันร่นางกายมันก็อันเดิมแต่คนตายเพียงวันเดียวให้เราไปนอนด้วยแล้วก็ไม่เอาลนะะสภาพมันก็คืออนิจจังที่เรา พี่นาแล้วก็เขื่อนจังเลยใช่ไหมอัุวคือความไม่สวยงามความไม่สวยงามอสุภะคำว่าสุภะแล้ว่าสวยงามเนี่ยเาไม่ที่เราหลงติดคู่ครองที่เราไปดูดูดูหนังดูอะไรแล้วอยากจะดูพระเอกดูนางเอกเนี่ยถ้าเอาผีมาแสดงเป็นพระเอกนางเอกก็ไม่มีใครอยากจะดู เมื่ตอนต้นท่านอาจารย์พูดถึงผู้ที่เจ้าเนี่ยท่านท่า น, านเมื่อบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องอาศัยกายก็ยังได้แต่เป็นท่านอายู่อาศัยเนเพื่อเพื่อต้องการที่จะเผยแผ่ศาสนาสี่สิบห้าปีนะด<อ>ังนั้นเพราะระรยะส่งที่ที่บรรลุธรรมปัจจุบันนี้เขาคงเป็นสภาพแบบเดียวกันไหมครับแล้วกันเพราะจิตมันไม่มีไมต้องการอาศัยแล้วไมไ่ต้องกา ร, รในโลกนี้แล้ว<อ>ท่านได้ได้สมบัติอันวิเศษไปครองแล้วถ้าเป็นลอตเตอรี่ก็ถุงนอนที่หนึ่งแล้ว เลยท้ายไม่ไปตรวจแล้มันเสียเวลาแล้อย่างนี้ตัวท่านเองก็สามารถที่จะกําหนดว่าจะอยู่ได้นานแค่าไหนก็ได้ใช่ไหมครับได้ก็ไม่กินข้าวมันมันก็ไม่ถึงสองเดือนมันก็ตายถ้าไม่หายใจไม่ไม่ถึงไม่กี่นาทีมันก็ตายได้แต่ท่านไม่ทําท่านนั้นเองท่านท่านท่านก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่บางครั้งมีคนถือว่าท่านปล่อยวางธาตุกันไงท่านไม่ไปยุ่งกับธาตุขัน แต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันจะไปแค่แปดสิบปีท่านก็เอาแค่แปดสิบปีมนก็ไม่ได้ไปแต่ท่านบอกว่าถ้าต้องการจะอยู่ต่อท่านก็พอที่จะรั้งมันได้แต่ท่านก็ <c oughs> ก็ไม่อยากที่จะไปรั้งมันย <c oughs> <c oughs> กเว้นถ้ามีคนขอร้องให้ท่านอยู่เนี้ยท่านแสดงทำให้พระอา น, นุ์ฟังกี่ครั้งพระ อ, อ น, นุ์ก็ไม่เคยขอลาธนัยท่านอยู่ <c oughs> ท่าก็เลยคือว่าเมื่อเขาคงม่อยากให้เราอยู่แล้วเราก็อย่าอยู่เลยก็อันนี้ตอนที่หลวงป้าหลวงตาท่านท่านไม่สบายเมื่อหลายปีก่อนเนี้ยลูกศิษย์ก็บิแตอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ขอท่านคงอยู่ต่อพวกลวงพวกเราแบบนั้นมันก็ทําท่านจะอยู่เท่าที่จะอยู่ได้ท่านใช้ท่าที่้้าท่านอยู่เท่าที่อยู่ได้ก็ทําให้ท่านมีก็มีกําลังจิตกําลังใจที่ว่ายังทําประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ครับไม่ได้อยู่เพราะไปบังคับให้เขา เขามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระท่แต่เพราะว่าเขาได้รับประโยชน์จากท่านจริงๆมันก็ทำให้ท่านพยายามตะเกียกตะกายคอยคอยดูแลรักษาธาตุันซึ่งเหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์มันเก่าขนาดไหนถ้ายังจะใช้มันก็ยังใช้ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่บ้างไปปะไปผุไปเคาะไปอะไรไปมันก็ยังพอวิ่งได้อยู่ร่างกายนี้ก็เหมือนกัน เพียงแต่ว่าท่านก็มีขอบเขตอ่อย่างน้่งตาท่านก็คไม่ยอมเข้าไปโรงพยาบาลไปเปลี่ยนหัวใจไปเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตอะไรอย่างเงี้ท่านคงไม่ทําท่านก็เพียงแต่รักษาไปตามอัตรภาพของของมันคือการดูแลรักษาร่างกายนี่มันก็มีส่วนทําให้อายุยืนเมื่อายุสั้นนะแล้วเราไม่ดูแลมันเช่นเราปล่อยปากเลิกเลยกําลังกายก็ไม่ออกไม่รับ ก, กินรับประทานอาหารก็ รับบ้างไม่รับน้อยบ้างแล้วแต่อารมณ์นี้มันร่างกายมันไม่ได้รับการดูแลอย่า ง, งส ม, ม่ําเสมอมันก็จะเสื่อมเร็วแต่ถ้าพยายามวันไหนไม่ไม่อยากจะรับประทานก็ยังฝืนรับประทานเข้าไปตามปกติถึงเวลาจะต้องออกกําลังกายเดินจงกรมท่านก็ทำของท่านตามปกติมันก็ทําให้ร่างกายมันสามารถที่จะอยู่ไปได้นานสังเกตดูคนบางคนเวลาก็ไม่มีการราําลังสีกําลังใจอยู่แล้วบางทีร่างกายเขายังไม่เป็นอะไรเลยก็ยังปล่อยให้ตายไปได้ เป็นคนบางคนสามีภรรยาที่เคยอยู่มาด้วยกันรักกันมาตลอดพอคนใดคนหนึ่งตายไปอีกคนยังอยู่ไปปีสองปีก็ตายไปก็เลมอเพราะเขาไม่มีกําลังติดกําลังใจที่อยากจะอยู่ต่อไปเขาก็เลยไม่ค่อยไปสนใจกับการดูแลรักษาร่างกายจะกินจะนอนจะออกกําลังกายยังไงก็ปล่อยไปตามอารมณ์อยากจะทําก็ทําไม่อยากจะทําก็ไม่ทําพาอย่างนั้นมันก็มันก็ไปเร็ว แต่สําหรับจิตใจของผู้ที่หลุดพ้นนั้นท่านไม่ได้ถือว่าเป็นสาระสาคัญสําหรับตัวท่านเอง<ม>ท่านเพียงแต่เห็นคุณค่าของธรรมะที่ทําให้ท่านได้ถึงจุดนี้และท่านก็เสียดายที่คนอื่นที่จะมีโอกาสได้ไ ด, ได้รับธรรมะนี้ไปไม่ได้รับถ้าท่านไม่ไม่ยอมเสียสลระไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำไม่เอามาเผยแผ่แต่สาเหตุที่ท่านไม่เผยแผ่เ พ, เพราะไม่ใช่ท่านไม่มีความเมตตา ท่านเพียงเห็นด้วยปัญญาว่าคนที่จะฟังไม่มีคนที่จะารับไปไม่มีเพราะโลกเราบางบางบางครัง้งบางเวลาอาจจะอยู่ในยุค ข, ของความมืดก็ได้คือมืดมืดทางด้านธรรมะแต่อา จ, จเจริญทางด้านวัตถุอย่างทุกวันนี้โลกเรากํลาลังมืดทางด้านศีลธรรมแต่กําลังจเจริญด้วยวัตถุเข้าของเงินทองกันใช่หไหมเรามีมีสิ่งต่างๆทางด้านวัตถุเอีวไปหมดไปไหนมาไหนสะดวกสบาย แต่ใจของเราเป็นไงมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่อารมณ์ขับรถนี้ถ้าจะาป า, ก า, า, กาดกันไปปาดกันมาเบียดกันไปเบียดกันมาไม่มีไม่มีความเมตตากันเลยขับรถตารคนต่างเบียดกันต่างคนต่างแย่งกันไปนี่แสดงถึงความความตกต่ำของจิตใจแต่ความเจริญทางด้านวัตถุส่วนมันมักจะไปไปในคนละทานกัน ถ้ามันจเจริญทางด้านมัตถุแล้วความสินธรรมมันจะเสี่ยงถ้าสินธรรมเจริญแล้วเรื่องมัตถุมันจะไม่ค่อยจเจริญเท่าไรเพราะเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเอาวัตถุมากมายขนาดนั้นวัตถุที่จําเป็นก็เพียงแต่ปัจจัยสีเท่านั้นเองที่ในหลวงทรงจัดสอนอยู่เสมอว่าเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงก็คือพออยู่พอเก่ยกับการอยู่ดํารงชีพเท่านั้นเองไม่จําเป็นจะต้องมีรถ2อสามคัน จเป็นจะต้องมีเพชรมินจินดาอะไรต่างๆเหล่านี้พอมีสิ่งเหล่านี้แล้วมันเกิดความหวง<ม>เกิดความแหนเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาเกิดความหวาดระแวงคนอื่นไปหมดกลัควคนอื่นจะมาแยง่งชิงมาขโมยของตัวเองทำให้ไม่กล้าสนิทสนอกับใคร กลัวจะเสียสมบัติเก้าของเงินทองใจเลยแคบคนใจแคบไม่ใช่เป็นคนใจกว้างคนที่ไม่มีสมบัติเงินทองนี้จะเป็นคนใจกว้างอย่างพระนี่ใจกว้างเขาจะมาเมื่อไหร่ใจพราะไม่มีอะไรจะให้เขาไม่ีหรือแต่ธรรมะเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วเอาคนบางคนไม่ค่อยอยากจะฟังธรรมะนะ พอถึงถวายทานเสร็จก็ไปแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้พักผ่อนแต่ไม่คงไม่ใช่คนะนี้วันนี้ก็พูดธรรมะอย่างสบายๆนะไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องแน่นเกินไปเมื่อตเวลาภาวนาเนี่ยตัวที่ปัญหามากสำหรับเราคือตัวตัวนิวรเนี่ยแล้วก็ ตัวความฟุ้งซ่านเนี่ยมันผมเป็นปัญหามากที่ทำแบบ้มันไม่ลงทุกทีอะไอย่างเงี้ยครับมันเหมือนกันทุกคนคือย่างที่ว่าเราเราเราจะมีความพยายามมากน้อยเป็นไรมากกว่าถ้าเรามีความฉันทามีทิบาะจีคือมีฉันท์เป็นตัวเรื่องต้นคือมีความพอใจความชอบใจที่จะทําแล้วมันความขยันมันเพี้ยนมันจะตามมาความอดทนมันจะตามมา แล้วความยากมันก็ยากเหมือนกันทุกคนเนี่ยเบต้นแต่ถ้ามันมีความพยายามมีความอดทนแล้วเดี๋ยวความยากมันก็กลายเป็นความง่ายมันมันมันยากตอนเริ่มต้นนี้เองพอมันเริ่มทําไปได้แล้วมันมีตัวตัวผักดาให้ไปมันไปได้ที่เราถานมันไม่ได้เราไม่ได้ขาดเราขาดเราขาดอิทธิบาทสี่เป็นหลักือเราขาดชั้นท้าววิริยะเป็นหลักความยินดี เวลาให้นั่งสมาธินี่มันไม่ค่อยยินดีเหมือนกับเวลาไปเที่ยว <c oughs> <c oughs> เวลาไปเที่ยวนี่มันง่ายกว่าเวลานั่งมันก็เหมือนกับเวลาเดินขึ้นเขากับเดินลงเขา <c oughs> เวลาเดินขึ้นเขามันยากมันเหนื่อยถ้าไม่พยายามจริงๆมันจะไม่ได้ไปถึงยอดคนเวราก็ถึงเชื่อไงว่าเวลาเดินขึ้นไปกับพระพุทธบาทที่ต้องขึ้นบันไดสองร้อยขั400้นสี400่ร้อยขั้นแล้วจะได้บุญมากๆ ก็บุญที่เกิดจากวิริยะเนี่ยความพยายามฉันทะการในธรรมในสิ่งที่เราใจเราไม่ชอบทํามาก่อนใจเราไม่ค่อยชอบทําเรื่องเหล่าเนี้ยเรื่องเรื่องบุญเรื่องกุศลเม่ค่อยชอบอะไรแต่ถ้าเรื่องกุศลเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรนี่เราจะชอบกันมนันระยะนั้นเราจึงต้องพยายามฝืนพยายามฝืนทําไปก่อนแล้วต่อไปมันเมื่อทําแล้วมันมันเริ่มได้ผล เริ่มเห็นผลบ้างนี้มันก็จะมีความพอใจที่จะทำมากยิ่งขึ้นไปเหมือนกับคนเราทำมาค้าขายถ้าทำไปมีแต่ขาดทุนขาดทุนมันก็ไม่อยากจะทำใช่ไหยทำไปแมันไม่ได้กาไรมันก็มันก็ทอ้อแท้แต่ถ้าทำไปแล้วได้กาไรมันก็จะมีกาลังจิตกำอัจใจขึ้นมา <c oughs> แต่นั้นการทำการ การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าทําไปแล้วไม่เคยไม่เห็นผลเลยไม่รู้จักผลของมันเลยมันก็ไม่รู้จะทําไปทําไม mm hmm. ทำไปสักพักมันก็มดหมด mm hmm. มกำลังใจที่จะทํา mm hmm. ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าการทำบุญนี้ทําเพื่ออะไรเองถ้าเรารู้ว่ามันทําเพื่อเพื่อตัวเราเองทําเพื่อความสงบสุขของใจเราเป็นการคล้ายๆว่าเป็นการ อธิบายคือผลที่แท้จริงมันควรจะสัมผัสได้ด้วยใจของเราแต่บางทีเราเราไม่รู้เราทําแล้วเราไปคิดว่าเราควรจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้กลับมาเช่นเราคิดว่าเรา ท, ทาแล้วเรารู่นน่ะชาติหน้าพบหน้าอย่าเงี้ยมันก็ไกลเกินไปเราก็บางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือไม่ แต่ถ้าเราลองที่ปัจจุบันคือที่ใจของเราเนี่ยเราจะเราจะเห็นถ้าเราสังเกตดูถ้าเราทํา<ม>ทําด้วยความโดยสุขใจเช่น<ม>เราเสียสละอะไรให้กับใครด้วยความเมตตาจริงๆเช่นเราเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเขาไม่มีข้าวกินเนี่ยแล้วเรามีข้าวอยู่จานหนึ่งเนี่ยเราเกิดมีความสงสารเขาจริงๆ เราเรายอมอดข้าวจานนั้นเาลาวสลัดข้าวจานนั้นให้กับเขาเนี่ยตอนนั้นเราจะได้สัมผัสกับความสุข<ม>ที่เกิดขึ้นจากการกระทันเราจะมีความรู้สึกภูมิใจมีความสุขใจ<ม>ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้มีความสุขบ้างเราก็กินมาหลายมือแล้วเราแค่เสียสลัดมือเดียวนี้ไม่ไม่ตายหรอกเราคิดอย่างนี้ถ้าเราทําแบบนี้เราเราจะเริ่มเห็นผลว่าอ๋อมันผลที่แท้จริงนะั้นมันอยู่ที่ใจเราเป็นหลั ส่วนเรื่องอนาคตชาตหน้าพบหน้ามันจะเป็นไงเนะีเราจะไม่ค่อยสนใจครับเราเราจะสนใจกับการทําการกระทําให้ที่เกิดความสุขจใจขึ้นมามถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าระหว่างที่เอาเงินก้อนอย่างนี้ไปเที่ยวกับเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าการเอาเงินก้อนนี้ไปช่ยวยเหลือคนอื่นเนี่ยมันมีคุณประโยชน์กว่าการที่เอาไปเที่ยว เราไปเที่ยวแล้วเราก็สนุกดีอเดียวแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็สร้างความอยากเที่ยวขึ้นมาอีกถ้าคราวหน้าเราไม่มีเงินเราก็จะเดือร้อนแต่ถ้าเราเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือสองเคร์ผู้อื่นความอยากไปเที่ยวมันก็ถูกศาสตร์ไปโดยปริยายคราวหน้ามันก็ไม่ได้คิดอยากจะไปเที่ยวในปัจจุบันมันทําไปแล้วมันก็มีความอินเอิบใจมีความสุขใจ เนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้เราถึงจะเข้าใจว่าอ๋อการการทำบุญให้ทานนี้ก็ทำเพื่อตัวเราอย่างแท้จริงเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในปัจจุบันและเป็นการระงับความอยากที่มันจะคอยฉุดกระชากลากเราให้เราต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะเอามาใช้ตามความอยากของเราเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะ ไม่ค่อยมีความอยากมากดดันให้เราต้องไปเสียเงินเสียทองเมื่อเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมากเกินเกินไปเราจะเริ่มเห็นว่าเรามีเงินทองพอมีพอใช้เมื่อ ก, ก่อนนี้หามาได้เท่าไรก็ไม่พอใช้สักทีเพราะเพราะอตัวความอยากนี่มันมาคอยรอเราก่อนแล้วเงินเงินเดือนยังไม่ทันออกเลยมันรู้แล้วว่าจะต้องอาไปใช่ที่ไหนบ้าง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันมันก็มองเงินเดือนแล้วเอจะเอาไปทำอะไรดี <c oughs> <c oughs> เอาไปทำบุญดีกว่า <c oughs> พอไปทำบุญมันก็มีความสุขใจใจมันก็จะสงบแล้วมันก็จะทำให้เราเข้าสู่สศีลก็ทำเข้าสู่ศีล <c oughs> เพราะคนที่มีแต่เสียสละให้ความสุขให้ประโยชน์กับคนอื่นแล้วเวลาอยากจะได้อะไรก็จะคำหนึงถึงความถึงผลกระทบอย่กงเคขึ้นกับผู้อื่น ถ้าเราอยากได้ถึงนั้นถึงนี้มาแล้วไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเราก็ไม่อยากจะได้เราจะแก้ปัญหาโดยวิธีที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนก็อยู่ในศีลธรรมนั่นเองไม่ไปไปแก่งแย่งจึงดีเอาให้คนอื่นเขาต้องมาวุ่นวายกับเราถ้าก็อยากจะได้ให้เข้าไปเราไปหาอย่างอื่นก็ได้เราไปทําที่อื่นก็ได้ก็ทําให้เราเป็นคนมีศีลขึ้นมาเราจิตก็จะสงบมากยิ่งขึ้นไป พราะคนที่มีศีลนี่จะไม่ค่อยวุ่นวายไม่มีปัญหาที่ต้องไปกังวลกับเรื่องที่เราไปสร้างก่ อ, อกรรก่อเวรไว้กับคนนั้นคนนี้มันก็จะเห็นว่าอ๋อมีศีลก็มีความสุขให้ทานก็มีความสุขล้วเท่าไรยิ่งถ้าไรภาวนายิ่งจะมีความสุขใหญ่มันก็เลยจะลองถ้ายังไม่เคยภาวนามันก็จะลองภาวนาดูแล้วเมื่อภาวนาแล้วมันไม่นานใช่ไหมก็ได้ถ้าจิตมันมีทานมีศีลแล้วมันง่าย เพราะมันมีมันมีเครื่องสนับสนุนนะเหมือนกับเราได้เรียนอนุบาลแล้วเราได้เรียนชั้นปฐมแล้วจะขึ้นชั้นมัธยมก็ก็ง่ายพราเราผ่านมาแล้วถ้ายังไม่เคยเข้าอนุบาลยังไม่ได้เรียนชั้นปถมเราจะไปเรียนชั้นชั้นมัธยมเลยมันไม่ได้หรอกถ้าเราทางก็ยังกระตญีทีเหนียว ย, ยังเสียดายอยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปไ ป, ไปกินไปเล่นอยู่ ศีนก็ยังรักษาไม่ค่อยได้ยังอดที่จะโกหกหกลอกลวงคนนู้นคนนี้ไม่ได้อยางยังอดที่จะโกงเขาไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วจะมาภาวนามันจะไปได้ยไงแต่มันมีแต่ความวุ่นวายสายเสียอยู่ตลอดเวลาจ<ศ>ึงต้องทําบุญทําทานก่อนแล้วก็รักษาศีนไปแล้วก็เข้าสู่ภาวนาแต่ก็ไม่ได้ไต้องทําทีละขั้นนะบางทีก็ทําแบบพวกคู่กันได้เวลามีอะไรให้ทานได้ก็มีอะไรก็ให้ไป ศีลก็รักษาไปแล้วภาวนาแล้วก็ภาวนาไปแต่มันต้องมีทานมีศีลก่อนคนที่บางคนที่เขาภาวนาได้เลยเก็เพราะว่าใจเ็าเป็นทานเป็นศีลอยู่แล้วคือเขาก็ไม่เขาเขาก็ไม่ได้มีความโลภอยากจะได้อะไรมากมายเขาก็พอมีพอกินเขาจึงไม่มีเงินมากเขาก็ไม่ได้ทาทานอย่างเป็นพระก็ไม่ได้ทำทานแล้วเวลาเวลาออกบวชนี่ก็สละหมดแล้วสละโอกาส โอกาสที่จะร่ำรวยก็สละไปแล้วไม่ต้องไม่หาสแสวงหาเงินหาทองอะไรต่อไปแล้วก็มารักษาศีลให้ให้บ่อยสุดแล้วก็ภาวนาะศีลเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาปัญญาเป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตหลุดพ้นมันเป็นเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้ามีทานมีทานมีศีลมีสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่หลุดพ้น มันก็ได้แต่ทําจิตให้สงบทําให้กิเลสมันสงบตัวลงแต่มันไม่ตายเหมือนหินกับหินทับยาพอพอสมาธิเราเสื่อมไปแล้วกิเลสมันก็ออกมาสแสดงตัวอกีกต้องอาศัยปัญญาปัญญาก็คือตายรักนี่แหละเวลาอยากจะได้อะไรก็บอกเอาไปทำไมเดี๋ยวก็เอามาก็ามาทุกข์กับมัน ได้อะไรมาแต่ละอย่างสมบัติแต่ละชิ้นนี้ก็ต้องมาก่อยดูแลรักษาก็เป็นความทุกอย่างหนึ่งเวลาเสียไปหายไปก็เป็นความทุกอีกอย่างหนึ่งมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นถ้ามันไม่มีความจําเป็นแล้วก็อย่าไปเอามาถ้ามันมีความจําเป็นเพราะต้องเอามาทํามาหาชินเลี้ยงปาเลี้ยงท้องก็ไม่เป็นไรล้วก็ใช้มันไปดูแลรักษามันไปมันเสียก็ช่างมันก็ซื้อมาใหม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันมันเป็นตัวสร้างรายได้ให้ครับเรา แต่ถ้าเป็นตัวที่มาสร้างรายใจ่ายให้เราโดยถ่ายเดียวเอามาทำไมเช่นโทรศัพท์มือถือเงี้ยเราซื้อมาแล้วเสียงเงินซื้อแล้วต้องเสียงเงินค่าโถยเนี่ย้นเมื่อเราก็ใช้โทรศัพท์บ้านก็ได้โทรศัพท์หยดเหรียญก็ได้สบายกว่าทั้งเยอะเงี้ยแต่ก็อดไม่ได้เพราะความหลงคิดว่ามันมีละเท่มีลวมีความสุข แต่พอมีแล้วก็เดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่อาจารย์ทำบุญทำทานที่อาจารย์พู่เลยนะคะมีใครตรวจไหมคะว่าคนนี้ทําบุญเท่าไหร่เป็นสัดส่วนกับเพื่อนเดือนหรอรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ขอดเลคือมีคนที่ดูไหมคะว่าคนนี้ทํำบุญเยอะแล้วคนนี้ทำบุญยังได้น้อยอะไรได้เปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคนดูหรอกมันเป็นธรรมชาติมันเป็นหลักของกรรมค่ะ มันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นไปด้วยอัตโนมัติจะพูดง่ายๆมันเป็นความเป็นจริเอ่าแล้วก็ฝนตกอะฝนฟ้ามันตกคนนี้มีรายได้มันก็ทบุญนี้คนนี้มีรายได้เนียก็ทบุญนี้ใครทบุญรอยีทัอ๋อมันมันมันมีผลกระทบที่จิตใจของคนนั้นไงพูดเปรียบเทียบเมือนคนมีเงินร้านเงินเดือนเดือนละล้านแต่ทำบุญแค่พันเดียวเงี้ย ความรู้สึกมันมันรู้สึกว่าไม่กระเทือนใจมันก็เมื่อมันไม่กระเทือนใจมันก็ไม่รู้มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจแต่คนที่มีเงินเดือนหมื่นจะทําพันเองนี้มันกระเทือนใจเขามากกว่ามันอยที่ที่จิตใจเขามากใช่ใช่ใ <ๆ S 2> เออเพราะฉะนัน้นคนที่มีมากเขาต้องทํามากถ้าก็จะรู้ถ้าถ้าถ้าจะเกิดความรู้สึกมีความสุขจากการกระทําก็ต้องทํามากก็เปลี่ยนเหมือนกับช้างอ่ะช้างมันต้องกินข้าวลงหลายหลายถังมันถึงจะอิ่มเนี่ย แต่ถ้าหนูนี่มักินข้าวแค่ช้อนเดียวมันก็อิ่มาฐานะการเงินมันก็เลยบังคับว่าคนมีมากก็ต้องทํำมากมันถึงจะทําให้เกิดความอิ่มเอิบใจขึ้นมาเรื่องดนตรกติคนก็มีมากเขาก็ทํามากกับาคนที่มีน้อยอยู่แล้วนอกจากคนที่ทําไปสักแต่ว่าทำํำเพื่ อ, อเพื่อไม่ให้เสียหน้าอย่างเงี้ยสายก็ทําน้อยเพื่อทําไปตอนนั้นเขาไม่ได้ทําด้วยความสมัครใจเขาไม่ได้ทําเพื่อบุญ เขาทำเพื่อสังคมเพื่อเพื่อไม่เสียหน้าอะไรอย่างนี้ไปเท่งนั้นงนคนเงินที่เรียกว่าตันีนะฮะนี่ติ๋วกำลังหาสัดส่วนนะฮะมีรายได้ร้อยหนึ่งทำสักห้าสิบก็ทางทางศาสนาคริสต์ก็ให้สิบเปอร์เซ็นไงเขาแนะนำว่าควรจะทำสิบเปอร์เซ็นถ้ามีเงินเดือนแสนก็ทำสักหมื่นหนึ่ง ถ้ามีถ้ามีร้านก็ทําสักแสนหนึ่งนี่อย่างต่ํำนะถ้าถ้าอยากจะได้บุญเยอะๆมีความสุขสเยอะบางกีล้านนึงก็ให้ทั้งร้านเลยอย่างนี้ได้ความสุขเยอะเพราะว่าใจเราไม่ต้องพึ่งพาสายเงินทองนั่นถามว่าเราจะกินอะไรก็มาบวชเป็นพระไงก็แบบก็แบบแบบห่ตาไงท่านได้เท่าไหร่แบบท่านก็ทแบบําเท่านั้นถ้าไม่เก็บไว้เลย ต้องไม่ได้เดือดร้อนกับตัวเองด้วยใช่ก็ต้องส่วนส่วนหนึ่งต้องดูดูดูแลตัวเราการดูแลตัวเราก็เป็นการทำบุญด้วยแต่แต่เราก็ไม่ต้องทำบุญถึงล้านบาทใต้องไม่ต้องดูแลตัวเราถึงล้านอย่างเงี้ยใช้จ่ายในการดูแลตัวเองมากไปหรือเปล่าก็เป็นได้บางทีก็ฟุ่มเคยชอบใช้ของแพงๆอย่างเงี้ยแทนแทนจะซื้อสบู่ก้อนละสิบาทก็เอาก้อนละร้อยอย่างเงี้ยมันก็เป็นสบู่เหมือนกัน มันก็มันก็ทำหน้าที่เหมือนกันแต่ต้องมียี่ห้อหรือต้องมาจากฝรั่งเศสนี่คือถ้าเราทาใช้กับเราน้อยแล้วก็มีเงินเหลือไปทำบุญเยอะทำบุญเยอะก็ทำให้จิตใจเรามีความสุขเยอะขึ้นก็ทำให้ความอยากใช้เงินน้อยลงไปและจะทำให้เราพัฒนาความสุขในใจให้มีมากยิ่งขึ้นไป ถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงเราต้องทําบุญเยอะๆไงอย่าไปเอาความสุขจากทางทางร่างกายทางโลกเอาเท่าที่จาเป็นนักปฏิบัติทำเขาก็สอนให้อยู่แบบง่ายๆอยู่แล้วมีชุดขาวอยู่สองชุดก็อยู่ได้แล้ะสําลับกันชุดนี้ใส่ชุดนั้นออกไปซักนอนก็นอนกับพื้นเนี่ยพื้นไม้เงี้ยปูเสื่อนอนเนาะพ อ, อละกินก็ตามตาม ง่ายๆเนี่ยกินสองมือ้อมันก็อยู่ได้เหมือนกันคนกินข้าวมื้อละห้าสิบบาทกับคนกินข้าวมื้อละห้าพันมันก็อิ่มเหมือนกันแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนกันแต่ความสุขของคนที่กินข้าวห้าสิบาทมันมีความสุขกว่าเพราะมันไม่มีความกดดันที่จะต้องไปหาเงินมาห้าพันมาเลี้ยงตัวเอง แล้วเว้นถ้าเราเป็นคนที่มีบุญวาสนามาเกิดเุินกองเงินกองทองอยู่กับพ่อแม่ที่ก็กินอาหารแบบนี้ก็กินไปแต่มันก็กลายเป็นเป็นเป็ น, ปน อ, าอาจจะเ ป, เป็นเป็นตัวคอยเหนี่ยวรั้งเราไว้ก็ได้เพถ้าเกิดเราอยากจะแสวงหาความสุขของทางจิตใจต่อไปเราก็ต้องมาอยู่แบบแบบเนี้ยแบบอยู่แบบนี้เรียกง่ายๆถ้าเราไม่เคยเลยแล้วก็อาจจะอยู่ไม่ได้ เกิดมาชาตินี้ได้เจอศาสนาครูแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์ก็ได้เพราะดันมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีเสียดายทราบเสียดายความสุขทางโลกที่ตนเองได้แสวงอยู่นอกจากคนที่ได้บำเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างมากๆอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะไม่ติดพันกับไอ้ความเป็นมหาเศรษฐีความเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะในสมัยนี้มีพระเจ้าเป็น น, น, ปป น, น, นิมมงค์หายมัางจะลาอาบวชไหมไม่มีเนี่ย พรบุญบารมีเขาไม่มากเท่ากับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสะสมไว้ mm hmm. เขายังติดอยู่กับความสุขของทางโลกอยู่เพราะเขามีพร้อมบริบูรณ์มีปราสาทสามฤดูอย่างนี้เป็นต้นแต่พระพุทธเจ้ากลับไม่ได้มีความอะไรอววรเลยเพราะท่านมีสมาธิมาแต่เดิมเนะี่ในในรู้สึกในในประวัติที่เคยเล่าว่าท่านเคยนั่งอยู่ภายใต้ ต้นไม้ในวันที่เขามีงานแลกนาขวัญอะไรเนี่ยแล้วพอดีคนอื่นก็ไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆท่านก็นั่งอยู่ของท่านองเดียวจิตก็เลยรวมลงเป็นความสงบขึ้นมาบุญเก่าความสงบที่ท่านเคยได้ทําไว้ก่อนมาแล้วจิตมันรวมลงท่านก็เห็นว่าโอ้นี่ความสุขอันนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มการกินการเสพอะไรต่างๆ ท่านก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเสียดเสียดเสียดงเสียดายนะจะละออกบวชนะไปอยู่แบบขอทานอยจากในวงังก็อยู่เป็นขอทานนะคิดดูดิมันจากร้อยลงมาเหลือแค่บาทเดียวเนะี่ยท่านก็อยู่ได้งั้นคนที่ทําบุญมากๆก่อนมารวยนี่กลับจะกลับจะต้องมีปัญหาที่จะต้องมาแก้ทีหลังนะอันี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เขามีทานมีศีลแต่เขาไม่ได้ภาวนากันไ้มท่านอาจารย์ ก็เรียกออกมาเป็นลักษณะ น, นั้นคือมันไม่ลอจิกเข้าเข<อ>้าอย่างนั้นนะ่ะ ถ, ถ้ามีสมาที่อยู่แล้วก็คงจะก็คงจะไม่ติดกับความสุดทางด้าน<ะ>รูปเสียงกิน่นรสโผฏฐัพพะนี้ก็ ก, ก็ก็มีไปแต่พอถึงเวลาที่มันจิตใจมันจะเรียกร้องหาความสุดทางด้านจิตใจแล้วมันก็จะเป็นตัวคอยมากระตุ้งให้ให้ออกไปสวงหาความสุขดังนั้น แย่งอาตมาเมื่อก่อนก็เคยมีความสุขกับการไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวต่างๆ แ, แต่มันในใจลึกๆมันก็มันก็ยังมีอีกอย่างที่มันอยากจะได้คือความไม่วุ่นวายใจความสบายใจความที่ไม่ต้องมาคอยหาเงินหาทองที่มาไปบำรุงบำเลอก็เลยโชคดีได้หนังสือธรรมะมาอาได้ได้ฟังเรื่องภาวนา ก็เลยพอเริ่มภาวนาดูมันก็ไปได้เลยก็อาจจะมีพื้นเก่าอยู่แล้วมันในจิตใจมันเรียกร้องอยู่แล้วเหมือนกับพอพอมันได้มันก็เหมือนกับมันมันมาประสานกันมันเชื่อมกันมันก็มันก็ไปพอมันเริ่มภาวนาแล้วมันเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้สนใจเลยแต่จะคิดจะหาที่ไหนสงบที่เนี่ไปทงภาวนาของเราแล้วเยี่ ด<บ>างนี่เพื่อนักสะติเราตั้งมั่นอยู่ตลอดที่มีทุกครั้งที่ทําที่อนักสติเราจะต้องปฏิบัติให้มากก็ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยแหละลองฝึกตั้งสติทั้งๆ ต, ตื่นเลยจะทําอะไรให้รู้กับการเคลื่อนไหวทุกปรยิยาหมดเลยเช่นพอตื่นขึ้นมาจะลุกขึ้นมาก็ให้รู้ว่าเรากําลังลุกยืนแล้วก็รู้กําลังยืนเดินก็รู้กําลังเดินกนําลังไปทําอะไรก็รู้กําลังทําอะไรแค่อยู่กับปัจจุบัน อย่าไปคิดว่าพอตื่นมากี่โมงแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปทํางานแล้วแล้วก็เวลาแต่งหน้าแต่งตัวอาบน้าถ้าบางทีก็ทําผิดผิดถูกถูกบางที่ทําเสร็จบางทีลืมปิดหน้าต่างปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีสติมันไม่ได้อยู่กับการทํางานในปัจจุบันมันไปคิดถึงโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยนี้นะกับคนนู้นคนนี้ว่าอย่างเงี้อย่างนี้มันจะคิดไปเรื่อยเยต้องรงับตัดในความคิดเราแนะ้นอนใส่ ถึงแมจะมันจะคิดแป๊บก็ตัดมันออกไปแล้วก็เออแต่ตอนนี้ต้องทําอย่างนี้ก่อนทําปัจจุบันให้มันดีที่สุนก่อนจะทําอะไรก็ทั้งทําให้มันเป็นขั้นเป็นตอนให้รู้ให้จิตรับรู้อยู่ทุกขั้นทุกตอนไปไม่ใช่กลายทําไปจิตก็ไปคิดเรื่องอื่นไปอย่นเรียกว่าไม่มีสติมันแสดงว่าเราไม่สามารถควบคุมใจเราได้ใจมันไปตามเรื่องต่างๆเราต้องดึงมมาครับการที่เราบสติให้มันอยู่นี่เพื่อ เพื่อเห็นผลนั่นเดียวนั้นเพื่อควบคุมมันให้ได้เพื่อบังคับมันให้อยู่ตามคําสั่งของเราให้ได้เมื่อเราควบคุมมันได้ต่อไปเราให้มันอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธอย่างเดียวมันก็ไม่ไปคิดอะไรเราอยู่กับพุทโธมันก็จะรวมลงเพราะมาจิตไม่ได้คิดเรื่องอะไรอารมณ์ต่างๆมันก็จะสงบตัวลงมันก็จะลงรวมลงได้ถ้าถ้าไม่มีสติแล้วนั่งพุทโธไปเป็นชั่วโมงมันก็ไม่สงบเพราะมันพุทโธได้สองคำมันก็ไปแล้ว แล้วเดี๋ยวก็กลับมาก็พูดโทรได้สองครั้งก็ไปมแต่มันก็อย่างเงี้ยแล้วมันก็เริลยท้อแท้นั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลทักทีมันก็เลยไม่ไม่ไม่มีความความดุเดินใจแต่ถ้าอยู่กับพูดโทรเพียง5้านาทีนี่มันรวมลงได้นะถ้ามันไม่ไปคิดเรื่องอะไรอยเลยเนี่ยแต่พูดโทรพูดโทรพูดโทรพูดโทรเนี่ยไปเดี๋ยวมันรวมลงใช่แล้วพอมันรวมลงแล้วมันแโอ้โหมันมันคุ้มค่ามันวิเศษจริงจ ที่มันรูไม่ได้เพราะมันดึงดึงไม่ให้ให้อยู่กับพุทโธเพียงสามสิบวินาทียังไม่ได้มึงที่เดีวไม่ให้ไปคิดมีเรื่องอะไรมาคิดเนี่ยเดี๋ยวว่าได่ห้านาทีเลยเพราะมันไม่มีสติมันก็ทําไม่ได้อยากจะให้ทํามันก็ทําไม่ได้ตอนที่ฟังว่ามันง่ายนะเคียงแค่ห้านาทีให้กันอยู่คําว่าพุทโธอย่างเดียวมันก็ทําไม่ได้เพราะมันไม่มีสติคอยเลี้งไว้สติก็เป็นเหมือนกับสมองเลย เราอยากจะจาะเรือให้มันนิ่งเงี้ยเราก็ต้องทอดสมอถ้าทอดสมอแล้วน้ํามันจะมาพัดเรือไปไม่ได้เพราะมีสมอคอยเด้งให้ให้เรือมันจอดอยู่ ท, ที่จิตของเราก็เหมือนกันต้องมีสติมันถึงจะอยู่ทีท่ได้ถ้าไม่มีสติแล้วเดี๋ยวมันก็อารมณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้พัดมาก็ไปแล้วพอคิดถึงโั้นมันก็คิดต่อไปเลยเรื่อยเปื่อยเลยถ้าทั้งที่กําลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจกับการทำํำละ บาที่นั่งกินข้าวอยู่มาคิดถึงเรื่องงานเรื่องการที่ต้องทํำมาคิดไปคิดไปว่าเดี๋ยว่ากลับมาแว็บหนึ่งดูที่เรื่องการกินนะคะของเราแล้วก็วักไปคิดต่อแล้วใช้วิธีพูดโทที่ถี่ๆนี่จะได้จะได้ประโยชน์กว่าไหมครับถี่ไว้มันจะได้มีช่องว่างก็แล้วแต่บางกรณีเลยไหมถ้าว่าถี่บางทีพ่อบางทีมันล่วงนอนก็ได้ก็ถี่น้อยเรีอกว่าถ้ามันมันมันมันจิตมันจะแวบไปก็ใช้ให้มันถี่ขึ้นก็ได้ แต่ถ้ามันจะถี่ด้วยจำห่างถ้ามันไม่มีสติมันถี่ยังไงมันก็ยังรับไปได้ใช่ไหเห็นต้องฝึกสติอยู่ดีนี้ไม่พ้นหรอกถ้าไม่ฝึกสติแล้วไม่มีทางที่จะภาวนาะได้ดีถ้าจะมัวคิดว่าวันหนึ่งจะมานั่งจะมาตั้งสติตอนที่นั่งสมาธิอย่างเดียวนี้นจะเหนื่อยแต่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ถ้าเราฝึกสร้างสติตลอดวันเลยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสถานที่ใดทําอะไรเราก็มีสติอยู่กับในขณะนั้น คำว่าสติก็คือให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้อยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดในเรื่องอดีตในเรื่องอนาคตเรื่องใกล้เรื่องไกลเอามันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยทำอะไรอยู่ก็ให้มันอยู่กับตรงเนี้ยไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นการนี้ฟังก็ฟังอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นมันก็จะได้ประโยชน์ถ้าฟังไปคิดไปเดี๋ยวมันก็เรื่องมันก็ไม่ติดต่อกัขนขณะที่พูดขณะที่ฟังแล้วเราไปคิดเรื่ององื่น เรื่องที่เรากำลังฟังอยู่มันก็ไม่เข้าไปในใจมันเข้าไปในหูแต่ไม่เข้าไปในใจมันก็ไม่รู้เรื่องบาทีมันก็เลยไม่เข้าใจเมื่อกี้พูดเรื่องนั้นเรามาต่อเรื่องนี้มันต่อกันได้ยังไงใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีสติมันก็บังคับมันไม่ได้มันก็อดคิดไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แต่ถ้าไปฟังธรรมะของคนที่ฉลาดหรือคนเก่งที่เขาสร้างความสนใจให้เราได้เนี่ยมันก็ช่วยเราได้ถ้าไปฟังธรรมะของคนที่ ฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องแล้วฟังแล้วเบื่ออ่างเงี้ยมันยิ่งไปใหญ่เลยนะการฟังธรรมก็มัน ก, ก, มน ก, มนก็มันก็ผู้ผู้ที่แสดงก็มีมีมีส่วนที่จะช่วยเราได้ถ้าการแสดงเป็นการแสดงที่เต็มไปด้วยความด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ปัจจุบันทันด่วนคือเราสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบใช้กับชีวิตของเราในปัจจบนนุบันได้นี่มันมันช่วยได้เยอะกว่าถ้าพูดเป็ น, นภาษาแบบ ราชาศัพท์พูดไปเมื่อครั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วนี่บางทีฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องอย่างธรมานี่ได้ธรรมะเพราะไม่ได้เรียนไม่ได้อ่านภาษาไทยนะอ่านภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่มันตัดพวกราชาศัพท์ไปหมดเลยอีดก็อีดไม่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นคนขอทาน ม, มันก็อีดเหมือนกันอฟังแล้วมันเข้าใจมันง่ายดีเพราะมาอ่านราชาศัพท์แล้วมันงง เพราะเราไม่ค่อยเราไม่ได้ศึกษามาก่อนงั้นบางทีถ้าเราทำนาทางภาษาอังกฤษนี่อ่านหนังสือธรรมะทางภาษาอังกฤษมันเข้าใจง่ายกว่าอย่างตอนที่เราจะมาฝึกใหม่ๆก็ท่องมหาสติปัฏฐานสูตรนภาษาอังกฤษที่ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษ้ท่องในไรทังสูตเลยเวลานั่งสมาธิทีก็ท่องอันนี้ไปก่อนตอนต้นก็นั่งไม่ได้ไงก็เลยอาศัยการท่องในตัวเนี้แต่เป็นภาษาอังกฤษ ประมาณทักสี่สิบนาทนีนั่งไปก็ท่องพระสูตรนี้ไปพิจนากายพิจนาเวทนาไม่เป็นภาษาอังกฤษก็มันกจําได้ทําให้เกิดปัญญาด้วยทําให้รู้ด้วยว่างานที่เราจะต้องทํามีอะไรบ้างแล้วก็อาศัยการท่องนี้เป็นการทําสมาธิไป ใ, ในตัวแทนที่จะพุโทโธพุโทโธรู้ดูลมหายใจแล้วก็ท่องนี้ไปท่องพระสูตรนี้ไป ยังก็การสวดมนต์ก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเวลาเร า, เร า, เ, ร า, เ, ราเราจะทำสมาธิด้วยการสวดมนต์เราไม่ต้องนั่งผนมมือเราไม่ต้องไปนั่งนั่งพระเทียแล้วก็นั่งขัดสมาธิเหมือนกับเรานั่งทำสมาธินี้แล้วเราก็ตั้งน้โมไปเลยแล้วก็สวดไปเรื่อยๆก็สำคัญให้มีสติอยู่กับการสวดไปแล้วกันน้โมตัดจะพระกวะโตอะไสไม่ซ้ำมาลาขาโตแล้วก็เกาาาาลเื่อยไปบนที่เราสวดได้แล้วก็สวดไป สวดไปให้นานอย่างนี้เราจะนั่งได้นานถ้าเราพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันมันมันแวกไปเรื่องอื่นแล้วเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ถ้าเราสวดมันเป็นนานมันค่อยเจ็บนะเพราะมันมีมันจิตมันมีสมาธิอยู่กลารสวดแล้วมันจะไม่ค่อยมาสนใจกับเวทนาของทางกายแล้วพอสวดไปจบเลือได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเกือบสี่สิบนาทีแล้วมันรู้สึกมันเบาทีนี้เราก็ดูลมเฉยๆมันก็ไม่ไปไหนกําหนดลมหายใจเข้า ล แ, แล้วก็อยู่ไปแล้วก็ค่อยๆสงบแล้วก็นิ่งไปแล้วก็อยู่ไปจนมการ์มันจะทอนออกมาออ ม, มาแล้วหลัก็ลุกไปทําอย่างอนี้เวลาลุกก็มีสติก่อนจะลุกก็ดู ก, กําลังจะลุกลุกแล้วก็กค่อยๆทำสติต่อไปจเจริญสติประฐานก็เรียกาคตาสติในเรียบทีสก็ทําไปเงี้ยเมื่อมาถึงเวลาจะมากลับมานั่งก็นั่งต่อก็มีสติอยู่ตลอดเวลา เวลานั่งก็มีสติเวลาเดินยืนนั่งนอนอะไรก็มีสติอยู่ตลอดเวลาเวลาเดินไปถ้าอยากจะสวดมนต์ต่อไปก็ได้แล้วก็สวดได้แทนที่จะเอาใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็สวดมนต์ต่อไปส่วนในเริยาบทีนะ่ะเดินยืนนั่งก็สวดไปอย่างบางองค์ท่านก็เอาพุทโธคําเดียวในทุกเริยาบทนั่งสมาธิกับพุทโธเวลาลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็พุทโธ บัดก่อนก็พุโทโธบินทบายก็พุโทโธเวลาขบเวลาฉาเนี่ยอะไรก็พุโทโธมีพุโทโธกำกับอยู่ในใจไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนไปเลยถึงแม้จะมีแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแต่มันน้อยพุโทโธมันมากกว่าถ้ามีพุโทโธไว้มากกว่าแล้วคิดเท่าที่จําเป็นเพราะคนเราต้องคิดเนะี่ยเวลาจะลุกจะเดินจะเดินไปไหนมันก็ต้องมีมันก็ต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าจะกินจะทําอะไรก็ต้องรู้อยู่แต่มันก็ยังอยู่ในปัจจุบัน แล้วก็มีพูดโธคอยกำกับไป อ, อีกชั้นหนึ่งแล้วจิตมันจะมันจ ะ, จะสงบสงบเข้ามาเองกิเลสจะไม่มีทางออกไปได้เพราะไม่มีลูกก็มาคอยให้เราคิดไม่มีเรื่องที่จะไปคิดถึงไปทํานู่นทนํานี่ไปมีนู่นมี น, นี่อะไรมันจะไม่มีโอกาสออกมาเพราะโดยธรรมชาติจิตมันคิดได้ทีละในแต่ในละวินในขณะหนึ่งมันคิดได้เรื่องเดียว แต่ว่ามันค่มันหลายขณะด้วยกันมันก็สามารถแวบไปแวบมาได้ขณะนี้คิดเรื่องพุทโธอีกขณะหนึ่งก็ไปเรื่องนู้นแล้วมันก็ไปได้มันมีความเร็วสูงมากก็เหมือนกับไฟฟ้านะเหมือนไฟฟ้าและที่มันสลับสาย60สิบสายกันต่อภายใน1วินาทีมันสลับไปได้6ัสครั้งอ่ะจิตมันเร็วกว่านั้นนี่ยจิตเร็วนั่นไม่มีขอบเขตนะเนี่ยเร็วขนาดไหนเราถึงต่อสายสติเนี่ยเป็นตัวมาคอยสกัดมาคอยมาจับมัน แล้วมีสติแล้วต่อไปธรรมะอย่างอื่นจะตามมาตามหมายถึงทำในทางด้านปฏิบัตินะสมาธิปัญญาวิมุตตินี้ก็จะเป็นผลได้ตามมาด้วยสติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ส, วสตินี้เป็นธรรมที่ใหญ่เปรียบเหมือนกับเท้าช้างเท้าช้างนี้สามารถครอบรอยเท้าของของสัตว์อื่นได้หมดเพราะมันใหญ่กว่าเขาเพื่อนสติก็แบบเดียวกันเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สําคัญที่สุด ถ้าไม่มีสติแล้วอย่าไปหวังเรื่องสมาที่เรื่องปัญญาเรื่องวิมุติต้องมีสติเป็นผู้นำํำนั้นเราควรที่จะเจริญสติอยู่เรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราทําได้เพียงแต่เราไม่ทําหรือเราไม่รู้เท่านั้นเองเราลองไปฝึกดูนะพยายามเตือนสติเราว่าตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าเราอยู่กับตัวเราหรือเปล่าหรือเราไปวุ่นวายกับเรื่องนู้นเรื่องนี้นน บางทีเรื่องยังไม่เกิดเลยมาลองห่มลองให้เศร้าเสียใจยก่อนเลยมันยังไม่เกิดเลยมันเกิดแค่มันเกิดไปดิเห็นไหมตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แค่มันอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไม่มีอะไ ร, รอ่ะก็มีแค่เนี้ยแต่ถ้าไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาก็วุ่นวายใจได้พยายามฝึกไปเรื่อยๆ แ, แล้วต่อไปทําสมาธิก็จะจะจะจ ะ, จะอยู่จะสงบ แล้วถ้าไปเจริญปัญญามันก็จะอยู่กับเรื่องที่เราจะให้มันเจริญจะให้พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆมันก็จะไปอยู่เรื่อยๆมันขยายได้นะเกิดแก่เจ็บตายเราเองบางคนนู้นบางคนนี้นักดูไปเหมือนกันหมดคนนั้นเดี๋ยวก็ต้องแก่แล้วต้องเจ็บแล้วต้องตายคนนั้นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดไปเรื่อยๆมันก็เพลิน จะยังสวดเป็นภาษาังกฤษได้ไหครับจำไม่ได้แล้วเพราะตอนหลังก็ไม่ได้ไม่ได้สวดแล้วเพราะว่าพอเริ่มนั่งได้เองเวลาพอมเป็นสมาธิแล้วไม่ต้องไปคืนแต่นั่งหลับตาเงียงียบได้ <c oughs> ไม่ต้องอาศัยเลยเขาใช่ไหม่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็เหมือนกับเมื่อก่อนเราเรียน ก, ไกอไก่ขไข่แล้วก็ต้องท่องไปก่อนเนี่ย <Okay. S 2> แต่พอเราอ่านออกเขียนได้แล้วเราก็ไม่ไปตั้งกอไก่ขไก่แล้วเราเปิดหนังสือมาปุ๊บมันก็เข้าไปมันก็อ่านได้แล้ว สมาธิก็เหมังกันเมื่อมันชำนาญแล้วเพ่งหลับตากำหนดปั๊บมันก็นิ่งละมันไม่ต้องไปไปอะไรก็หมบที่มันไล่ก็ไก่ก็ไกลหมดไล่ไม่ได้แล้วมันลืมหมดแล้วที่มันลืหมดมแล้วมันลืมหมแล้วเดี๋ยวท่นอาจาจะขออนุญาตถามคถามของลูกหาตัวเองตอบไม่ค่อยได้นะคะหรือตอบก็ตอบไม่ดีนะคะก็ถามเลถามว่าเออคือไปอินเดียกลับมาใช่ไหมคะ้าบอว่าประเทศอินเดียเนี่ยค่อนข้างยากจนอะไรเนี่ยนะคะ เดือดร้อนอะไย่างนี้ค่ะก็เหมือนเมืองไทยเราแปรไดีกว่าเขาบอกว่าเออใช่นั้นเนี่ยที่เขู้ศาสนาที่เขาพูดเจ้าอะไรอย่างนี้สอนอะไรอย่างนี้ก็ใช่งั้นก็ถ้าเทียบกับทางอเมริกาประการยุโรปก็เทียบกันไม่ได้ที่เพราะว่าพขาเขาพูดจประเทศที่มีพุทธเจ้าอยังอย่างยังลําบากยังยังยงยากจนการทาทางอเมริกาทางยุโรปอันรอย่นี้เขาเขาสบายเขาไม่ยากจนคือความที่เด็กเวัยรุ่นเขาคิดว่า จริงๆจะบอกเขาว่าจริงๆบายอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ใจมากกว่าแต่ว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเรื่องความสบายเอ๊ะความที่ดีคือความสะดวกสบายมีเงินทองใช้สอยแบบสบายแบบพวกฝรั่งพวกอะไรแบบนี้ค่ะแต่คนนี้ยังยากเลยก็คนที่เอ๊ะถ้าพูดชื่อสาสธนาก็ก็ก็ถ้าเทียบกับทางนั้นแล้วมันมันจะอธิบายยังไงก็เพราะว่าเขามีมิจฉาทิฏฐิไง เขาไม่มีสมาทิฏฐิเขาคิดว่าความสุขของมนุษย์เราอยู่ที่การมีสมบัติเจ้าของเงินทองมากแต่เขาไม่เห็นความทุกข์ที่มันตามมาหรือรอเขาอยู่ข้างหน้านี่แม่เขาใช่ซึ่งช่วยอะไรไม่ได้หรอกก็ต้องอาศัยให้เขาตัวขึ้นแล้ว่อยไปเจอความทุกข์กับมันแต่เขาถึงจะเราเพียงแต่เตรียมพื้นฐานให้เขาเตรียมเครื่องให้เขาเตรียมยาวไว้ให้เขาเท่านั้นเองว่า ถ้าเกิดมีความทุกข์ก็มาหาศานสนาเนีศาสนาช่วยเธอได้แต่ตอนนี้ถ้าเธอยังยัง อ, อยากจะมีความสุขกับเรื่องราวต่างๆของเธอก็ไปทําไปเถอะแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเธอก็จะก็จะรู้เองเหมือนกับเราเมื่อก่อนเราก็รู้ด้วยตัวเองมากกว่าที่เราจะบอกเขาใช่ไหมคะใช่เปนเรื่องของประสบการณ์เนี่ย<ม>คนที่มมไม่เคยกินยาพิษนี่ไปบอกว่ามันเป็นพิษเขาก็ไม่รู้เนี่ยแต่ให้มึงกินสักนิดถึงจะรู้ว่ามันขม จะได้เข็ดจะได้อะไรได้แต่เราปีน้าที่สอนก็สอนเข้าไปเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กแบบับภูมิจิตภูมิธรรมของเขาถ้าเขาได้สะสมเรื่องด้านธรรมะมาพอสมควรเขาก็จะรับได้เข้าใจง่ายถ้าเขาไม่มีเลยก็เหมือนกับเด็กที่ยังไม่เคยเข้าโรงเรียนชั้นอนุบาลเลยเขาก็จะไม่เข้าใจเรื่องที่เราจะสอนเขา ก็ต้องพยายามสอนไปเรื่อยๆเขาจะรับได้มากน้อยเพียงไรก็มันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องที่ละเอียดและเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงจะเห็นคือเขาไม่เข้าใจว่าทำไมยังยากจนอยู่ทั้งนั้นทำไมยังรวยอย่างนี้ยทั้งที่ทางนี้พุทธศาสนา ก็บอกว่าความยากจนกับความรวยไม่ได้เป็นตัวตัดสินของความสุขใจไงศาสนาพุทนี่สอนเรื่องจิตใจไม่ได้สอนเรื่องร่างกายเรื่องเรื่องวัตถุเพ้าของเงินทองแต่สอนเรื่องว่าคนเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรอย่างคนที่เขาออกบวชเนี่ยเขาไม่มีอะไรคือถ้าพวกที่บวชจริงๆพวกที่เขา สว่างหาความสุดทางด้านจิตใจจากการปฏิบัติธรรมเขาไม่มีอะไรหรอกแต่ทางนี้ทุกวันนี้มันทุกอย่างมันสับสนไปหมดนังบวชกับอยู่ดีกับคนไม่บวชก็มีกุติของนัก บ, บวชบางคนนี่มันรู้หลายยิ่งกว่าบ้านของของคารวะก็นมีมันก็เลยทําให้เด็กไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็อย่าไปบงังคับเขาอย่าไปหวังอะไรมากเป็นเคินไปก็เพียงจะบอกว่า ต้องเรียนไปต้องรู้ไปเองค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปเราก็อย่าไปไปบังคับเขามาก เ, เกินไปเพราะเขากับเรามีความรู้ไม่เท่ากันความเห็นไม่เท่ากันเราเห็นเขาไม่เห็นเราต้องเห็นใจเขามากกว่าเขาเหมือนคนตาบอดเราเหมือนคนตาดีสิ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามพาเขาไป ถ, าถ้าเขามาเขาเดินตามเรามาก็เป็นบุญของเขา ถ้าเขาไม่เดินตามเรามาก็มันก็เป็นกรรมของเขาพวกเขาจะต้องเป็นคนรับรับผลของกากรกระทําของเขานั่นเองไม่มีใครจะรับผลของเขาได้เพียงแต่ว่าเรายังจิตใจยังอกอนอยู่เรายังไปห่วงเขามากเกินไปเราไม่มีธรรมะเราก็เลยไปวาดวิตกต่างๆนานาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นซ้ําไป บางทีมันอาจจะไม่เป็นที่เราคิดก็ได้ครับสักว <c oughs> ันหนึ่งอาจจะเขาจะฉลาดขึ้นก็ได้เพราะตอนนี้ก็ยุไม่มากเด็กก็อย่างนี้แหละทุกคนก็ต้องอยู่ตามภาษาเด็กไปก่อนยกเป็นพวกเด็กที่เป็นอัจฉริยะตรงนี้เขาค้อาถามเขอื้อหน่อยตอบไม่ถูืกจะตอบยังไงพี่มีคำถามไม่ลูกถามอื้อหน่อย ถให้สมาธิไม่สั้ก็ถ้าเป็นเด็กก็ให้ขยันอ่านหนังสือดีนหนังสือใส่อย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นมากการอ่านหนังสือก็เป็นการฝึกทำสมาธิได้คือเด็กต้องต้องอยู่ในในในภาวะของเด็กก็ต้องฝึกตามสภาพของเขา จะมาให้เขาพูโทโธพุโทโธแบบเราไม่ได้ <c oughs> เขาต้องเรียนหนังสือ <c oughs> ก็ให้เขามีส ต, ติอยู่กับการเรียนหนังสือให้เขามีความขยันเรียนหนังสือขยันไปโรงเรียนขยันอะไรหลอนี้แล้วค่อยพัฒนาขึ้นไปอเนี่ยพอยังมีเวลาเยอะไม่ต้องไม่ต้องกังวนลละที่สป็นของคนเรา เพงแต่เราต้องทําตัวเป็นตัวอย่างให้ดีก็เล่ากันอย่าเป็ินอย่าไปกินเหล้าเอายาให้เขาเห็นอย่าไปเะเลาะกันให้เขาเห็นอย่างเงี้ยบางทีเราสอนเข้าโดยที่เราไม่รู้ตัวอแม่ปูสอนลูกปูแม่ก็อยากจะให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่ก็เดินเฉะไปเฉมาแล้วลูกก็เดินเหมือนแม่ก็ไม่เข้าใจ เอาถวายของนะไ้หนึ่ะอันนี้เราจะครจะเอาค่ะรบกวนหาไม่ด้เลค่ะอย่างลูชายอ่ะ โอเคเขาศาสนาแต่ว okay, okay, like ่าอย่างนี <Hungarian> like ้เขาจะเห็นเขาจะมีคนระยะสั้นมากอย่างสมมติว่าพวุนี้เปแข่งกอก์ฟวันนี้ที่จะมาหน้าโมทัสแล้วพอไม่ได้เนี่ยเขาจะบอกว่าศาสนาไม่ช่วยอะไรเขาช่วยจะสอนเขาอย่างไงเนี่เราก็ต้องใจเย็นๆของบางอย่างมันต้องใช้เวลาถึงจะเห็นผลและอย่างท่านหลุก็ไม่ให้ลูกนี่ก็ือเป็นท่าสีน้ามันไปสวดว่าเราฝึกเามากคืออยากพยายามบ่อยเขามาทาบุญแต่เขา อย่นี้แหละพอาบอกปุ๊เขาไม่ทําเรารับเลยอ่ะก็ไม่ตัดมาถึงเมื่อพยายามไปเรื่อยๆเป็นแต่ว่าอยากเป็นทุกข์มันทําให้เราทุกข์ต้องต้องแค่ๆว่าความทุกข์มันเป็นปัญหาของเราไม่ใช่ของเขานะเราไปอยากเกิน<ม>ความสามารถเกินความความเป็นความเป็นไปได้ต้องอยากให้มันพองอยู่กับความความเป็นไปได้เวลาเราก็ต้องพยายามเหมือนกับปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกวันนี้เราจะให้มันออกรูปออกผลทันที แต่ถ้าเราพยายามสอนก็ไปเรื่อยๆพยายามไปเรื่อยๆใจเย็นๆให้มีให้มีขันตินะนสมมติบ้านเราเป็นเพราะเราขี้เกียจเาล่าเพราะเราไปงี้ไม่ได้ปุกบเราคิดว่าไไงไงไโอเคชาตินี้โรแก้สร้างบารมีแล้วก็เตียวแหววต่อชาติได้ก็ทําทไปเรื่อยๆก็แล้วกันเพการทําไปก็เป็นการทําบารมีไปในตัวแล้วมันจะออกดอกอลผลชาตินีชาติหน้ามันก็อยู่ที่การสะสมบารมีของเราเลครับ ท่านไม่ทําไปแล้วก็ไม่ขาดทุนแล้วอย่างการที่ว่าอย่างคนใกล้ตัวเราไม่คิดไม่นับถือเร า, าแล้วเราทําแล้วอธิษฐาในให้เาขาเราจะได้เนไหยคือทําให้เขาเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เลยออเอาไม่มีวิธีเลยจนะต้องให้เขาเปลี่ยนตัวเขาเอง <laughs> <c oughs> ถ้าเปลี่ยนได้พี่เจ้าเขาเปลี่ยนพวกเราเป็นเป็นพ้าหลานเป็นหวนแล้วแล้มีวิธีที่เราจะสร้างมาด้วยตัวเงไหมทำตัวเราเป็นตัวอย่าง ทำตัวเราเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเขาจะเกิดศรัทธาเริ่มใสยเราเองเวลาเขาทาอะไรให้เราโกรธเราอย่าไปโกรธเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะเขาก็จะเห็นผลว่าอ้ศาสนาดีอย่างนี้เองทำให้มีเราเดี๋ยวนี้ไม่โกรธเราเลยอย่างเงี้ยตองนี้เดี๋ยวเขาศรัทธาเองยใช่ขอบคุณอาจารย์ครับพี่อ้อยเขาขาวคนเสียนเขาไม่ดีค่ะ อบอกว่าถ้าเกิดเออเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยแล้วเราฟังเทปไปด้วยเนี่ยจะได้ได้ได้ได้ก็เป็นการฟังธรามไปไต่อไปเราก็ถ้าเราพิจารณาเป็นเราก็ไม่ต้องฟังก็ได้เ ร, เราเราถ้าธรรมะของเราเริ่มหมุนจิตของเราเริ่มพิจารณาไปทางธรรมะแล้วมันก็ไม่ต้องฟังของคนอื่นตอนนี้เราอาศัยคนอื่นเป็นตัวคล้ายๆเหมือนกระตุ้นให้เกิดธรรมะภายใ น, นของเราให้เกิดขึ้นก่อน มันน้องปู่มั่านท่านอยู่อง์เดียวท่านก็บอท่านฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตของท่านคิดไปในทางธรรมะมันก็จะเป็นเป็นธรรมะขึ้นมาแต่ถ้าเรายังคิดไปในทางโลกทางสงสารทางโลกกิเลสอยู่เราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาสะกดไว้ก่อนโดยอาศัยฟังเทศน์ฟังธรรมของคนอื่นแต่เวลาฟังก็ต้องฟังให้เกิดความเข้าใจถ้าเกิดความเข้าใจแล้วต่อไปมันจะอยู่ติดใจเราแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มคิดไปในแนวนั้น ถ้าเมื่อเราเริ่มคิดของเราเองได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องฟังก็ได้ว่าเราคิดนี้มันจะได้เยอะกว่ากว่าที่ฟังเพราะที่ฟังนี่ท่านเปรียบเทียบเหมือนธรรมะที่พระเจ้าทรงสแสดงเหมือนน้ำในตุม่มแต่ธรรมที่จะเกิดขึ้นใจะในใจิตในใจที่เกิดจากการพิจารณานี่มันเหมือนน้ำในมหาสมุทรมันมากมายกายกองก็เหมือนกับที่เมื่อกี้บอกเวลาเทศเนะี่ยถ้าเทศแบบแบบจํากัดว่าจะต้องเทศเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็จะเหมือนน้ำในตุม่ม แต่ถเทศแบบไม่ต้องจํากัดปล่อยเฉลี่ยมันจะพูดเรื่องอะไรก็ปล่อยมันไปมันก็ไปได้ทั่วหมดความคิดของเราก็แบบนั้นนหละแต่ในเบื้องต้นเราคิดไม่เป็นเราก็ต้องอาศัยความคิดของครูบาอาจารย์มาเป็นตัวกระตุ้นให้เราผึกคิดไปก่อนแต่มันจะได้ไม่ได้นส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่การปฏิบัติสมาธิของเรากันแหละถ้าเรายังไม่มีสมาธิแล้วยังไงไงมันก็ยังตัวกิเลสมันยังจะมีกําลังแรงอ่ะ เหมือนกับคนที่คนไข้เวลาจะผ่าตัดเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฉีดยาสลบเนี่ยคนไข้มันจะดิน้นหมอจะผ่าลําบากแต่ถ้าฉีดยาสลบให้เขาแล้วดมยาให้เขาแล้วก็สลบไปเนี่ยก็จะนิ่งจะผ่าจะตัดนังไงง่ายการพิจารณาธรรมะก็แบบเดียวกันถ้ากิเลสยังไม่นิ่งเนี่ยพิจารณาธรรมเดียวเดียวมันก็มาแยง้งมาขัดมาเถียงมาต่อต้าน ถ้าเดียวมันก็หลอกให้เราไปคิดเรื่องอื่นได้ฉะนั้นการจะเจริญปัญญาได้เห็นได้ผลได้เป็นเกอะเป็นกรรมจึงต้องมีมีสมาธิก่อนเขาเรียกว่าเป็นภาวนามาย์ปัญญาคีอภาวนาไอ้ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือการคิดเองเนี่ยมันไม่ต้องมีสมาธิก็ได้อย่างวันนี้เรามาฟังกันก็มีสมาธิแต่ไม่ไมต้องไม่ต้องลึกคือพอมีสมาธิกับการฟังมันก็ได้ประโยชน์ แต่มันยังไม่เกิดทําให้เกิดเป็นภาวนามาย์ปัญญาที่หลวงตาบอกเป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาอัตโนมัติเนี่ยมหาสติมหาปัญญาเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการที่เราได้สมาธิแล้วเราเริ่มพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวกับรูปสิยงกลิ่นรถสัมผัสเกี่ยวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารยิ น, ยาน่างแล้วมันจะเชื่อมต่อมั น, นเองแล้วมันจะแผ่กระจายไปเหมือนที่คุณบอกว่าทํา ขอวัตเจ้าหลายอย่างควาจริงมันก็มันก็มันก็เกี่ยวดองกันปติปัฏฐานมันก็ไปชนกับอริยสัจปีอริยสัจสี่ก็ไปชนกับไตรักษณ์มันก็ชนกันหมดเนี่ยแล้วมันก็จะเข้าใจเองมันจะเห็นเป็นภาพรวมตอนนี้เราเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเรายังไม่เห็นมันมาปฏติดปะต่อกันแต่ถ้าเราเริ่มได้มีสมาธิแล้วเราเริ่มพิจารณาปัญญาไปแล้วต่อไปมันจะเริ่มเป็นภาพรวมมันจะเข้าใจว่าทํามของวัตเจ้านี่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี้ ชี้ไปที่เดียวเท่านั้นก็คือทุกข์และวิธีดับทุกข์เท่านั้นเองเหมือนกับน้ําในหมหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตามก็มีรสชาติอันเดียวเท่านั้นก็คือความเข็มแต่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าจะแสดงปีโบทกี่บานมากน้อยเพียงไรก็ชี้ไปที่ทุกข์กับการดับทุกข์นั่นเองก็คือที่พระอริยสัจสี <c oughs> แต่ในเบื้องต้นถ้าเรายัางคิดไม่เป็นก็ต้องอาศัยฟังธรรมะไปก่อนเราพวกเราอาจจะโชคดีเพราะเรามีเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือที่ในสมัยโบราณก็ไม่มีหรือเรามีเครื่องฟังเราสามารถเสียบใส่หูแล้วเราก็เดินฟังไปได้ฮะฮะอยู่ได่ว่าฟังเปล่ปล่าหรือฟังแบบทัพพีในหม้อแกงหรือฟังแบบลิ้น <c oughs> แกงใช่ไหมมันฟังได้สองแบบฟังแต่หูแต่ไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับทัพพีในหม้อแกงนะ ฟังแล้วมันต้องเข้าใจด้วยคือไม่ต้องเข้าใจหมดแตแต่มันต้องเข้าใจบางส่วนไม่ใช่ฟังทั้งเรื่องถามว่าได้ข้อความอะไรบ้างไหมไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจเลยก็ไม่ได้ไประยชนยังไม่ได้เทสนะคะ <c oughs> มาเกาที่ท่านเลย <c oughs> นังสือเรี่องหมายใช้ของนิสิตก็ได้แจกไม่แจกอันนี้เล่มสิบอนะเล่มเมื่อกี้เห็นนี้ใครอยากเล่มสิบเอ็ดเดี๋ยวก็ตามไปเอาทิ้งกก็ียเขไมอันนี้เล่มสิบสครไม่ได้มาเอาลูกยูมาลูกใสให้เขาใสเข้าไปในเว็บให้ท่านเป็นไหมคะอันรที่เขาพูดโทรศัพท์กับท่านก็ที่อาตมาจะเอาไปรวมไปใส่กับนายเทศน์เราเปนยังไงคะแล้วลึกคำหน้าลูกไม้ เพราะ อ, อันนั้นที่ท่านการสอนท่กชอบมากเลยเออได้ได้ได่โยมาอาจจะใส่กักบการต่อต่อไปนะอันนี้อันริใหม่ที่ท่านอาจารย์ยังไม่ได้พิมลงเล่มอันนี้พิมออกมายือเจียวไปอ่านดูไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอาจาราก็อ่านมาแล้วพิมทาแล้วนนีแล้วนี่ของของญาติโยมที่มาทำบุญก็จะเริ่มที่การ228 อยู่ในเล่มที่สิบเนี่ยเข้าเว็บไปถูกแต่มันเข้าได้สองที่นะมันมีมันมที่อยู่สองที่หน้าเดียวกันอยู่เนี่ยหน้าเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเอาไปใส่ไว้สองที่เผื่อที่หนึ่งมันียอีที่หนึ่งก็เข้าไปแทนกันได้ ก็ทยอยพิมพ์ไปเรื่อยๆปีละสองเล่มปีหนึ่งพิมพ์สอเล่นเล่มสิบแปดนี่ของเอหลายปี2องยาปีไม่คัดเพื่อแจกแต่ถ้าอยู่ในเว็บล้วถาใครต้องการอะไปพิมพ์แจกก็พิมพ์ได้เอาไปพิมพ์แจกของเราเองก็ได้แงแงรททุกที่เราที่เราชอบกันไหนเราจะเอาไปที่เราเอามาเอามปพิมพ์เป็นเล่มตั้งแต่ที่เราเอามาได้ แต่เราแต่เดียก็โดดข้ามท่านไม่เป็น<ม>กังใจอะไร อ, อ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็ทำของเราไปส่วนญาติโยมก็แจกไป อ, ก อ, กอีกส่วนหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรไม่ ไ, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาอะไรทํานลุงใจเราก็แจ ก, กไปเรื่ลยแต่โยมชอบเล่นไหนช่วงไหนอยากจะไปเพิแจกก็ส่วนข อ, องญาติโยมก่อนก็ไปถืนก็ได้ก็ได้ เรื other, <k <k uh, <S <s i i ่อมอาจาเอากตอบมาใส่กับไปดีดีจังเลยคถามตอบที่ท่านถามกันไาแล้วท่านอาจารย์ตอบมาดีนก็มีแก้บ้างนิดหน่อยนะครับไม่ไม่ได้แก้อะไรเลยแต่ให้มันดเป็นภาษาเข้าใจง่ายขึ้นาตอบที่พวกเราถามเนี่ยท่านารสีแดงก็อยู่ในการ2อแขึ้นไปเริ่มที่18นี้ขึ้นไปตามแล้วเ้าอ่สิ ยี2ส2บย่กยเปดการเริ่มต้น2 2งยี่มีไปในาำลังใจที่18ถ้าเข้าไปในเว็บมันจะมีหวอกกำลังใจหนึ่ง6อง8สีหดแแล้วก็ไปคลิกที่เลขแดแล้วมันก็จะเข้าไปหน้าสารมันมี226 227 2ย <28. S 1> ี่สองรี่อ้ี้ชื่อว่าภาวนาชื่อภาวนาอันที่2ชื่อว่ากระจกของคำสอน หัวใจของคำสอนแล้วอันที่าสามนี่นก็จะเป็นไม่มีอะไรเป็นของเราเอ๋อนี่ไม่ของเราแล้วเข้าไปแล้วในนั้นก็จะมีอย่างที่เนี่ยอัดอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคราวหน้าก็เข้าไปเนี่ยก็ทยอยเข้าไปเดือนหนึ่งก็เข้าไปทีลกันเีรับอาชนาก็ดีไม่ต้องไปเทศไม่ต้องไปอัดเทสก็มี มีงานก้อนอาศัยอาศัยาติโยงเป็นเหตุแล้วก็ได้พูดธรรมะที่แปลกไปกว่าปกรณ์ปกริถ้าพูดอยู่ข้างล่างก็จะพูดอีกแนวด้วยเพส่วนใหญ่ท่านเขาก็ยังไม่ค่อยเข้ามาลึกเหมือนกับพวกเราพราะเรานี่รู้สึกจะมาลึกกว่าเรื่องภาวนานี่พอพูดได้ว่าโกทางนั้นก็พูดได้เพียงบางครั้งบางคราว ใหญ่ก็พูดแบบเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องเรื่องศีลเรื่องทานมากกว่าก็ได้ก็จะได้ธรรมะอีกแบบหนึง่งถึงบอกว่าถ้าโยมค่ๆว่าโยมเห็นอ่านแล้วชอบแล้วคิดว่าอยากจะเผยแพร่ก่อนก็เอาไปคลืนแจกได้เลยของที่อยู่ในเว็บนี้อรรมารตรวจเรียบร้อยแล้วก็ เ, วเอาดาวโหลดไปให้เขาถ้าเราเราพอสิ้นปีนี้จบกันนี้ไปแล้วให้รวมเป็นที่หลักมาห้าครั้งเราวปรวมเล่นกัน้ แล้วแต่เนีอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เชื้อเชิญหรืออะไรเพียงแต่พูดอนุญาตทำก็ได้แต่พูดอนุญาตให้ลวดไว้ลูกแน่ก่อนทำการลุ่มก็อยากจะเอาคอมพิวเตอร์มาถวายเพราะถ้าอยากจะรออาตมาก็มีด้านมรณะมีคนถวายนอบรุกมาให้เครื่องพอดีเช้าไปแล้วช้าไปแลต่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันไม่มีไฟ แล้วไม่อยากจะคิ้วมันชาระลงไปชาร์จมันก็เลยแลตอนนี้ก็เลยเอาไว้เอาไว้ก่อนเอไว้ําลองก่อนตอนนี้ก็กำลังไปหาเครื่องชาร์จให้อันหนึ่งไว้สําหรับทิ้งไว้ข้างล่างสำเราเพียงแต่เอาตัวแบบลงไปแบบน<อ>ี้ไม่หนักใส่ใส่ย่ามเดินตอนเข้าเดินลงไปแล้วก็ทา<อ>ได้ อ, อย่างนี้ก้อนหนึ่งก็ใช้มาได้ประมาณสักสามชั่วโมงสาชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงถ้าเราใช้แบบประหยัดนะถ้าเราตั้งแบบ แปลว่าใช้ไฟน้อยๆเนี่ยไหมเวลาเวลาถ้าาจากใช้มีสามก้นหาคสาม้นแล้วไม่เป็นไรถ้าต้องการเรจะบอกถ้าต้องการจะบอกแต่มันใช้ไฟมันสบายใจกว่ามันไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องชาติแบบอะไร เราเวลาลงไปทำมันก็สบงบเงียบเราก็มีห้องของเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครตอนตอนเยนๆก็เดินแทนที่จะลงไปตอนเช้าเลยก็ลงไปตอนหัวค่มแทน <Yeah. S 1> แถึงนั่นก็ประมาณตุกโมหักว่าหน่อย <Yeah. S 1> ก็ <Yeah. S 1> ทำไปถึงประมาณสักสี่ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็พักบางทีถ้ามีมากเลยบาทีตืน่นขึนมาตีสาก็ทำต่อ mm hmm. แท น, นทั้งไปออกไปบินระบาย <okay. S 1> <laughs> อาารย์้ไม่ทราบเป็นไงพอบางครั้ง่านอาจารเส็จปลับไปนะมันก็ปิดหนุนจัดพิธกค่อไๆหาไปก็กลับมาใหม่ก็อย่างเงี้ยมาเติมแบตเตอรี่ถึงต้องเข้าวัดบ่อยๆเงี้ยเจ้าท่านกำหนดให้เข้าวัดอาทิตย์เข้าวัดอาทิตย์ละครั้งเลยบางครั้งก็เข้าวัดสีเพราะมัอนก็เหมือนกับเป็นการชาร์จแบตเลยแบตมันอยู่ไม่ค่อยนานก็อยู่บครูบาาจารย์่นต้องเทศอยู่่ อยู่ก็บหลตาสมัยแรกๆนี่ท่านสี่ห้าวันท่านเรียกประชุมท้วยเพราเวลาฟังแล้วมันมีกําลังจี่กําลังใจไปนั่งสมาธิได้ไ ด, นนดได้นานเดินโยกมมได้นานพอพอสักสองสาวันไปมันแถ่วละแผ่แวนะเดี๋ยวท่านกระชากให้เราอีกทีกระตุ้นให้เราอีกทีก็าอาสายฟังเดี๋ยวนี้ที่มีที่ห้าสายฟังอย่างนี้แทนถ้าบอกเวลาคูดอณหลวงตาถนะ้าบอกเวลาฟังหลวงปู่มั่นเทนเนี่ยมันก็ท่านเปิดตู้พระไตรปิฎก ให้เราดูของที่มีอยู่ในตู้ว่ามีอะไรบ้างพอท่านเทศเสร็จท่านอี้ท่านปิดแต่ความจำเรายังพอจะจำได้ก็ทำให้มีเกิดมีความกาลังจิตกำลังใจนะ่นการฟังธรรมจึงเป็นเป็นมงคลอย่างยิ่งเี่ยกาเลนะธรรมสวนังเนี่ยเอกัมมังกาลุมตัมมังการทำเพราะมันเราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น ทำให้จิตใจเรามีความสงบทําให้เกิดจัมมาธิทิความเห็นความเห็นที่ถูกต้องนี่จึงเป็นสิ่งที่ดีครูบาอาจารย์ท่านถึงให้ความสําคัญเรื่องการแสดงธรรมนี้มาก่อนเลยในการปฏิบัตินี้ถา้าไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับการฟังธรรมถ้าปฏิบัติแล้ไม่มีการฟังธรรมนี่มันลงได้ แต่ถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไปไม่ถึงเหมือนกันตอนท่านอัจาอยู่มีพระอยู่สักกี่องค์ครับตีแรกท่านนับแค่ยี่สบหกรยี่บเจ็ดรูปตอนนี้แล้วตอนค่อยๆเอ้ยไม่ใช่ยี่ส1บี่ส็ดสิบสิบหกสิบเจ็ดรูปตอนนี้ไปอาตมาไปปีสองพันห้า้สิบแปดก็รับพระใหม่ปีนั้นพรษานั้นที่อาตมาไปรู้สึกกันรับสี่รูปเท่านั้นที่ได้อยู่นะแล้วก็ รั้วต่อมาท่านก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่อวุโสกาหลวงตาท่านมรณภาพไปพระที่จะหาครูบาอาจารย์ซึ่งพาันก็ไม่มีที่ไปก็ต้องไปไปไปที่วัดท่านก็เลยรับมากขึ้นจาก67ก็ตอนที่อาจมาออกมาก็เกือบ30แล้วนะตามตัวเนี่ยเพราะถ้ามีมากมันก็มันก็ มันก็มีปัญหาได้เหมือนกันเพราะถ้าเกิดมันไม่ค่อยสนใจกับเรื่องปฏิบัติมันก็จะมาทําใหม้มันทําให้ดูแลยากควบคุมดูแลยากทะลุเยอะแล้วก็จะมาทําให้เสียได้ถ้าน้อยๆมันดูแลใกล้ชิดตางท่านจะคล้ายๆท่านจะจําหน้าได้รู้ว่าใครเป็นใครี้ให้ความดูแลได้อย่างใกล้ชิดควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า แต่เมื่อมันมีความจําเป็นก็ต้องก็ต้องเปิดเปิดโอกาสให้สู่อื่นไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาตมาตาม น, นั้นที่ลาท่านมามามามาดูแลพ่อท่า น, นั้นไม่สบายรวมพ่อท่านเป็นมะเร็งก็เลยพอหลังจากที่พ่อท่านเสียไฟล่าวเผาศพท่าสเสร็จแล้วก็ยังเหลือประมาณเดือนสองเดือนนึงที่จะเข้ากังการก็เลยคิดว่าน้องอยู่ข้างนอกบ้างเพราะตั้งแต่บวชนะไม่เคยออกมาข้างนอกเลย ถ้าอยู่กับท่านก็สบายทุกอย่างเพราะอยู่ในวัด น, นี้ไม่เราไม่ต้องไปไปประเชิญกับอะไรเลยว่าท่านก็ดูแลทุกอย่างแทนเราหมดญาติโยมศรัทธาใครมาก็ไม่ต้องมารบกวนเรามีเวลาให้เราได้ภาวนาเต็มที่แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็ที่มันก็มีจํานวนจํากัดแล้วก็มีพระอยากอยาเข้าไปอยู่มาก ก็เลยคิดว่าเราไม่กลับไปก็มีโอกาสให้พระเขได้อยู่เพิ่มอีกรูปหนึ่งเราก็อยู่มาติดต่อกันก็เก้าพรรษาแล้วก็เลยลองลองลองลองมาอยู่ที่อื่นบ้างก็เจ้าพระสมเด็จพระสังฆราชมาสร้างวัดอยู่ที่ที่นี่พอดีก็อยู่ใกล้บ้านร่างสมมาตมาอยู่ที่พัทยาก็เลยคิดว่าไหนลองมาอยู่อยู่อยู่อีกรูปแบบหนึ่งดูที่ว่าจะเป็นยังไง ก็เลยอยู่มาแล้วก็เราอยู่มาตลอดไม่ได้ไปไหมาอยู่ตั้งแต่ปลายปี2527มันต้องก็อยู่ข้างตี่ข้างล่างอยู่อยู่สองพรรษายังไม่ได้ขึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นร่างกายสุขภาพมัน่อยแข็งแรงมันเป็นไข้เรื่อยเลยเลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรตอนหลังก็มาทราบว่าเพราะนอนกับพื้นพื้นปูนเนี่ยมันเย็น แล้วมันร่างกายเรามันคืๆว่ามันความอบอุ่นมันไม่ทอตอนหลังเลยต้องหาเตียงแล้วเป็นไขอเป็นเอาไม้ปูกไผ่นอนแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่เป็นไข้เมื่อก่านมันจะเป็นไข้ทำซสนอักเสบหรืออะไรเจ็บคอเป็นไข้ก็เลยกลัวเวลาพ่อมาอยู่ในป่าที่มันยิ่งชื้นใหญ่ก็เลยต้องอยู่ข้างล่างที่มันโล่งๆหน่อยแต่ตอนหลังเรามมาทราบว่ามันเกิดจากที่เรานอนบนพื้น กุฏิทางนี้มันไม่ได้เป็นพื้นไม้แบบนี้มันจะเป็นพื้นปูนปูนนันก็เย็นพอพอไม่ได้นอนกับพื้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไทยมันอท่านแทนขึ้นมาอยู่บนนี้ท่านจะขึ้นมาองค์เดียวหรือคะคือที่นี่มีพระอาจารย์จากวัดถ้ำกองเพลินชื่อพระอาจารย์หวันท่านเป็นผู้มาบุกเบิกมาพัฒนาคือวัดยาญเมื่อก่อนนี้ไม่มีพระผู้ใหญ่อยู่เป็นหลักพระที่เป็นพระกรรมฐานไม่มี พอดีปีนั้นขาดพระก็มาที่เป็นหัวหน้าจะมาดูแล ว, วัดยานพอดีท่านอาจารย์หวนันท่านผ่านมาท่านพักอยู่ที่วัดช่องลมที่ที่หลวงตาเคยไปพักอยู่แล้วพอดีที่นี่ไม่มีพระผู้ใหญ่เขาก็เลยสมเด็จก็เลยไปขอพระจากวัดช่องลมมพอดีท่านยังไม่ได้ที่ฐานพรรษ า, า, าท่านก็เลยมาอยู่ให้ท่านก็พาลูกศิษย์ลูกค้าพระมาจากวัดตำกองเพลมาตอนต้นก็อยู่ข้างล่าง ก็พาปฏิบัติแบบพระป่า mm. ก็อยู่ทำ ม, มือเดียวบินทบาทอะไรอย่างนี้แล้วต่อมาทางวัดชั้นล่างก็เริ่มพัฒนาสร้างโบสถ์สร้างอะไรสถานที่ก็เริ่มวัตถุ ก, ก็เริ่มมีมากขึ้น mm. ท่านก็เลยเห็นเขาตรุนีว้ว่าเป็นที่ที่สงบน่าจะขึ้นมาบาเพ็ญภาวนาท่านาก็เลยขออนุญาตสมเด็จพอดีญาติโยมเขาถวายไม้เก่าที่เขาลืมมาหรือจากบ้านของถวายมาให้วัด ท่นก็เลยอาศัยญาติโยมพระเนรช่วยกันแบกขึ้นมาตอนนั้นไม่มีถนนไงมีแต่มีทางเดินป่าขึ้นมาตอนนั้นเขากาลังสร้างเขื่อนกันน้ำอ่างเก็บน้ําอยู่ข้างหล่างตอดีก็เลยปีปนั้นรู้สึกว่เป็นปี25ปี26ปี26ที่ทําขึ้นมาพัฒนาบนเขานี้แล้วก็เลยท่านก็อยู่ท่านก็อยู่บ้างไปบ้างแล้วช่วงที่อาจามามาอยู่ครั้งแรกตอนนั้นท่านก็ไม่อยู่แล้วท่านท่านไปแล้วเพราะท่าน เป็นเบอร์พระพดงนะท่านก็ไม่ค่อยอยู่กับที่นานอยู่ได้สักสองสามปีท่านก็ย้ายไปบนเขาก็เลยก็ไม่มีก็มีพระที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาใช้เป็นบางครั้งบางคราวมีอยู่สองสามรูปเราสมเด็จท่านเข้ามาเวลาเทศานมามาม า, มาปฏิบัติเกีตที่วัดยานท่านก็จะขึ้นมาทำนับเป็นเขานี่นี่มีมีมีกุฏิที่สร้างตัวใ้ท่านพักอยู่ ตอนั้นก็มีอยู่หลังไม้หลังหนึ่งไม้เก่าๆแล้วตอนหลังก็มีสร้างที่หน้าผาให้แล้วก็มีสร้างอีกหลังอยู่ทางนี้ให้แต่แตท่านก็ยังชอบหลังเล็กๆหลัไม้อยู่ไอชุนเมย์เบอกด้านู้นน่ากลัวมาก <c oughs> มท่นอาจา <c oughs> จได้เขาไปอยู่เด <c oughs> ี่ยวเขาบอกโอ้โหกลัวแทบตายไอเก็อยู่ตรงนี้เนี่ยนีเก็เดินไปไอเขาบอกไม่เย็นลงว่าไม่มีใครเลยไอขึ้นมาอย่างนี้เองเนี่ยขึ้นมปนี้ก็อยู่พาเดียวาบกลัว มันอยู่ในตัวเขาอ่ะเดินขึ้นไปไก่แลยท่านไม่หรอกก็เป็นไบไม่เกล็ดขั้นเองก็เห็นแบบปติอยู่ครับแต่มันอยู่ฝั่งนี้อ๋อก็มีแต่เป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยพวกงูพวกอะไรนี้เคยฟังหลวงตาบอกว่าเคยมาพักที่นี่สุกมากหลวงตาท่านเคยมานอนที่สารานี้ตอนนั้นรู้สึกว่าปีหน้าอตมายังเข้าอยู่ข้างล่างอยู่แล้วหลวงตาท่านมาพักอยู่ที่สวน ที่ยสวนของวัดช่องลมตอนนท่านป่วยแล้วท่านป่ยวปยปไปรอบหัวใจแล้วถ้าว่าวันนั้นหัวใจท่านกำเริบตอน บ, บ่ายๆท่านก็เลยให้ยเยให้โยมก็ขับรถมาส่งท่านแล้วพอดีเจออาตมาอยู่ข้างล่างก็ท่านหลวงท่านอยากจะขึ้นมาพักบุญ น, นี้อาตมาก็เลยพาท่านขึ้นมาพอท่านลงจากรถท่านกชีมาเอาตรงเนี้ยภักตรงเนี้ยล้วก็หามุง้งหาเสือหาอะไรถวายท่าน แล้วท่านก็สั่งว่าท่กนี้ท่านไม่ไปบินนาบาตเนี่ยท่านผู้ใจไม่ดีมาก็ไม่มีใครรู้ญาติโยมที่ว่าก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้อะไรเราก็ไม่บอกครับพ่าเราเข้าใจว่าท่านต้องการมาหาความสงบไม่ต้องการให้ใครมารบควรพราะตอนเช้าจะมาทํากิจเสร็จก็เดินขึ้นมาก็พอดีญาติโยมก็มารับท่านกลับไปท่านก็มาพักที่คืนนึงแต่ท่านเคยมาครั้งแรก ทางญาติโยมที่อยู่ข้างล่างเขานิมนต์ท่านมาเขาก็เลยจัดที่พักอยู่ข้างล่างเป็นกุฏิของสมเด็จพระสังฆราชนี่เ่็นประธาเอยแต่ท่านก็บอกว่ามันหนุ่มละมันท่านชอบอย่างนี้มากกว่าท่านบอว่ามีลิงแล้วท่านบอกกระเจ้าว่าไม่ต้องมายุ่งกันเรามินี่มีลิงเมฆเยอะเอ็งก็มีแกงมีอะไร พวกเก้งกวางนี่เป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้เขาเพาะเลี้ยงแล้วก็เอามาปล่อยกัอนอย่างเดียวคือเป็นแค่ก็ว่าเป็นโครงการของคุมเด็กพระนางเจ้าที่ต้องการที่จะขยายพันธรรุ์สัตว์ก็เลยให้ฝ่าไม้เข้ามาตั้งสถานีขยายพันธรรุ์สัตว์ที่นี่เอาพวกสัตว์ที่มันใกล้ศูนย์พันุเช่นพวกนกยูงไก่ฟ้าพวกเก้งกวางอะไรแบบนี้มามาเพาะขยายพันธุ์ แล้วก็เมื่อมันโตขึ้นพอที่จะหากินได้ก็ปล่อยให้มันออกจากคอกให้มันหากินเองตอนต้นก็เลี้ยงเลี้ยงไปก่อนมีเยอะไหมท่านอาจารย์ก็มีสี่ห้าสิบตัวห้าสิบตัวเนี่ยอ้โหดูดเวลาเดินลงไปเริ่มเห็นอยู่ตรงหนองน้ำยรงนี้ส่วนใหญ่ชอบอกมาตอนเย็นมากกว่าตอนเย็นตอนงคืนตอนกลางวันจะไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่โอเคงวงพวกเนื้อทรายพวกละมั่งํามีหลาย แต่ดูก็คล้ายๆกันเนี่ยเขาก็ม uh> ีที่หาคืนไหมคะก็พออาหารก็พอมีพอกินอยู HS ่แล like ้วก็มีอีกพวกหนึ่งเป็นพวกหนีพวกหนีนี่ได้มาจากร้านอาหารที่เขาตํำรวจไปจับมาแล้วเขาอยู่ในนี้เหรอคะเขามี้ออยู่ข้างล่างเลยเขมี้ออ่งมี้ก็ใหญ่ประมาณสักเนี่ยเกือบช่องหนึ่งเนี้ย ท่าที่เรานั่งอยู่เนี่ยแต่เขาไม่ได้ออกมาใช่ไหมแล้วเขาก็ทําทำํำคล้ายๆเหมือนกับเป็นเป็นรั้วไฟฟ้ารอบทัาขาไล่ให้เขาออกมาออกมาเที่ยววิ่งเล่นได้แต่ก็จะมีเป็นบ้านๆเป็นเหมือกุฏิแต่เรหลังให้เขาอยู่แต่เขาสามารถที่จะออกจากกุฏิเขาออกมาวิ่งได้ไอ้รั้วไฟฟ้านี่เป็นเป็นหน่วยงานของพวกพิทักษ์โดยอนุรักษ์สัตว์าของฝรั่งเขา เขามาบริจจะทำให้เป็นนั้วไฟฟ้าไ ฟ, ไฟฟ้าแรงสูงถ้ามันไปแตะร่อวมันไฟจะชอ็อตเนยมันก็นจะปีนข้ามไม่ได้ oh. ถ้าถ้ า, ถาปลายนี้จะอยู่ข้างล่างทางเข้ามาเนี่ยจะไปอยู่แถวทางนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เปิดให้คนเข้าไปเที่ยวดู okay. จะมีอยู่สักประมาณสักสามสี่สิตัวจะเป็นพวกมันเป็นพวกหนีควายตัวเท่าคนเนี่ยต้องไม่บอกสุเมศกันเดี๋ยวก็ไม่มาเลยกคนอันนี้เขาต้หาที่อยู่ของเาเองไม่ต้องเลี้ยงเขาต้องเลี้ยงเขาต้องหุงข้าวให้เขากินแต่เือเขาจกัดขอบเขตเนี่ยอยู่บริเวณที่มีไฟฟ้าต้องเยอะต้องหยเพรศาสตร์พวกนี้นอน ข้าวโดนเขจับมาจะกข้าจะกินจะกิ น, <ะ>กนดิ้ง อ, อะไรดีเขาอะไรอะไรเขาเนี้ยอุ้นตีนมันอะไรเงี้ยพอตำรวจไปจับมาได้เขาก็ส่งมาให้ป่าไม้มป่าไม้ก็เลยต้องเอามาเอามาเอามาเลี้ยงดูแสดงว่ามีคนดูแลเรื่องอาหารให้กินให้เขาด้วยก็พอมีเพราะมันเป็นงบของหลวงเนี่ยเป็นงบของป่าไม้เขาก็เอาข้าวที่เขาเอามาเลี้ยงเลี้ยงหมาเนี่ยอาหารแล้ข้าวอามาต้ม สำเร็จรูปนะที่มันเป็นถุงๆนี่ครับเป็นเม็ดอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาต้มผสมกับข้าวข้าวสารไงแล้วก็เรี่นแล้วก็มีกล้วยมีอะไรบ้างมีผลไม้อะไรเขาก็เรี้ยงไปตามตามอัตรากาณเห็นใกล้ๆแถนี้มีที่มีฟัมเพาะที่เป็นเพาะพวกไก่ป่าไก่ฟ้าตี่ที่เดียวกันใช่มับทเดียวกันเนี่ยมีโครงการไปย้ายพันธ์สัตว์ป่าที่เป็นเป็นเป็นหน่วยงานของกรมป่าไม้ครับซึ่งเกิดจาก การการดําเดชของสมเด็จพระนางเจ้า mm hmm. ที่นี่ก็เลยมีสองหน่วยงานหน่วยหนึ่งทํางานเกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ป่าและอีกหน่วยงานพิทักษ์สถานที่เพืดูแลเขื่อนถ้่าสัตว์ป่านี้ก็ mm hmm. มีสองหน่วยงานด้วยกันมีู่ตรงป้อมยามที่ขึ้นมาตรงนั้นเลยนะคะอ่า uh huh. อยู่บริเวณนั้นอยู่ปลายทางเนี้เรามองไม่เห็น ใช่มันถ้าสมมติเราเข้ามามันพอพอพอผ่านประตูมาป้อมจะมีมีทางเลี้ยวซ้ายลงไปต้องเรียวเลี้ยวเข้าไปถามยามดูก็ได้ว่าที่คงหมีอยู่ตรงไหนเขาต่างเขาว่าไปดูได้ไหมถ้าเขาบอกไปดูได้ก็ก็ลองไปดูดูก่อนที่ที่หนาวมากไหมที่จันทันหนาวหนาวเราไม่อยู่วันเนี่โอ้โหรู้สึก ลมก็แรงด้วยลมแรงก็แรงล้นาวก็หนาวแต่ลมเยอะนีก็ลมมาเอะแต่ก็สู้ดอนไม่รอดหรอสมอยู่ดอนหนาวก็เยอะะที่นี่สบายมากอรอุดอนนี่เคยจาได้เคยลงถึงหกองศาอยู่จริงตอนเช้าเดินบินตาบาดเดินเหยียบก้อนกวดมันเหยียบก้อนน้าแข็งเดินไปบินตบาสมัยนั้นถนนยังไม่ได้ลาดยาง แต่ก็ครูบาอาจารย์ท่านทําเราก็ทําตามท่านได้ถ้าถ้าไม่มีคนำนำทำก็คงจะไม่มีใครทําล้วอจาจารย์ท่านเคยผ่านอย่างนี้มาแล้วท่านจิตใจท่านไม่ได้ไปไปอะไรกับมันถ้าจิตใจมันนิ่งมันไม่ค่อยจะไปใจวิตกเดือนร้อนกับไอ้ความเป็นไปของร่างกายมันรู้มันสัมผัสรับรู้อยู่แต่ไม่ปุงท่านนี่เอง มันรู้ว่ามันเจ็บแต่มันไม่ปรุงว่าโอ๊ยเจ็บแล้วก็โอ๊ยทนไม่ไหวนล้มันไม่ปรุงอย่างนั้นมันรู้ว่าเจ็บแล้วมันก็ปล่อยไปแตาว่ามันก็สักแต่ว่าเจ็บแค่นี้เนี่ยมันต่างกันตรงเนี้ยต่างตรงที่ว่าจิตของเราปรุงหรือไม่ปรุงปรุงไปทางธรรมะหรือปรุงไปทางกิเลสถ้าปรุงไปทางกิเลสนั้นมันก็จะวุ่นวายจะทุกข์แต่ถ้าปรุงไปทางธรรมะว่าไม่เป็นไรละแค่นี้ไม่ตายมันก็มันก็ไปได้ ท่นครับเราจอพรฮะะยาถาใช่ i ห t ยาถาวารุปวาฮาภูราภิรปุเรนติสักขระเอวามิวะอิโตจินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปจิตังตุ้งหังคิตามิวะสุิชตุสัพเพุเรนตุสังกภา จันโทปญะระโสยธาร a นิโจติระโสยธาสพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาตุมาเตภวตวันตาโยสุขีทิขายโกภะอภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารโอธรรมาวทานติ อาวิวันโนสุขังาระราหูใช้สัญญาขัดจังใจจะรอไปอย่าไปตัดสิ้งใจเชื่อันม่งใจดีไรราไปฟังบาจาย์เ่าปาท่นผ้รู้บางขั้นอย่างนี้มเดี๋ยวเราหลงเราจะถูก <oque meter pen Wheels> สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราหลอกใจเราไมต้องอะไรดมู้ไห้อมเออนได้เป็นว่าเป็นผมขาวมาเงี้ยก็ก็ไม่เข้าใจเอ๊ะนือไม่สนกับพิจาราดูถ้ามันไม่ไม่ได้อะไรก็ปล่ยไป เดี๋ยวถึงเวลามันจะรู้มันก็รู้มันจะเข้าใจเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจเราอย่าไปแปลความหมายมันเลยรืกวากๆๆปแปลผิเพราะมันจะทาให้เราเสียหลักเราทให้เราลงถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไปก่อน้ อ, อนนจใจแล้วก็ดาเนินชีวิตของเราตามปกติกราจะดเนินชีวิตอย่างก็ดำเนิน <c oughs> มีอะไรไห่ไม่ค<อ>่ะแค่จะกลับเรียนเรื่องคนที่ทำหนังสือมาถวายนายจาย์แตะลูกสาวแตะลูกสาวก็ค่ะก<ม>็สมัยก่อนก็เป็นเด็กที่ดื้อมากเลยกคตอนนี้ก็มาปฏิบัติธรรมก็ก้าวหน้าไปพ<ม>อสมควรใช่แตราะมันมันไม่แน่หรอกบางทีเคยทำบุญไว้ก่อนแต่ยังไม่มีโอกาสบุญยังไม่มีโอกาสที่จะแสดงตัวอึ้ คนราส่วนใหญ่เวลาเป็นเด็กเป็นอย่างนี้นั่นน่ะก็ความทุกข์ทางนอนเพราะตอนนั้นยังไม่เคยเจอกับความทุกข์ขนาดตอเริ่มไปเจอสําถัสกับความทุกข์แล้วมันก็จะเริ่มหาที่พึ่งเองถ้ามีบุญมันก็จะออกมาเพื่อให้ถ้าเคยทำดีไว้มันก็จะมาหาเราเราอย่าเป็นักงงหนักใจเพราะนั่นที่แรกเขาเป็นเพียงแต่เพื่อนร่วมเคยแก่เกิดตายแค่นั้นเองแล้วเราก็ต้องแยกทางกันนะไม่ได้อยู่กันไปตลอด เรามีลูกมีต้ามีพ่อมีแม่มาไม่รู้กี่กี่ร่างคนแล้ว <c oughs> นี่ก็เป็นพุทธเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะเหมือนแต่เราไปเล่นละครเรื่องเนี้ยก็ได้คนนี้มาเป็นลูกเราเดี <c oughs> ย๋ยวจบละครเรื่องนี้เราก็ไปเล่นละครเรื่องใหม่ก็ได้คนนึ่งมาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เล่นอย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปเดอย่าม่หนักผมหนักใจจะเกิดความทุกขเ์เลยและจากการภาวนาของเขาเนะาะใช่ไหมที่เขามาเล่าให้แม่ฟัง บางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเห็นตัวเองเป็นท่อนไม้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมันเบามากไม่ต้องแบกอะไรไว้เลยแล้วก็มีส่วนแล้วก็บางครั้งเที่ยวหลังสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นพญนานาคตัวมันก็จะพองเบาไม่ทราบว่าก็ต้องทํำยังไงต่อก็ให้เขารู้ว่าเป็นเพียงแต่ความรู้สึดดกอย่าไปทำกับมันรู้ว่าเอ่อหรือว่ามันเกิดมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้ว อย่าไปยึดไปติดอย่มาปรุงว่าเราเป็นอย่างนั้นเกิดมีตามที่เราเห็นกกันเราเป็นอะไรในปัจจุบันก็ให้รู้ตามปัจจุบันดูปัจจุบันกันดั่งว่าเรากําลังโลกกำลังโกรธกําลังหลงหรือเปล่าอันนี้สำคัญกว่าอย่าไปคิดถึง่อดีที่มันผ่านมาแล้วเพรามันจะทําให้เราหลงได้อย่าไปกังวลถึงเมื่อวานอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นปัจจุบันให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันไม่ปรุงในระดัดีที่สุดมันไม่มีปัญหา ถรุงแล้วมันก็ปรุงชาใช่ไหมทำไม่มาต้องตีหลายันด้วยตีตีเพิ่มเป็นสีลยจ้ะค่ะเพิ่มสีละกันจริงวันนี้หลวงชาท่านก็มาที่นี่มาสองที่ ที่ใกล้ๆ ก, กับเขาเรียกลงโปะทางจากก่อนจะมาถึงพัทยาประมาณก็20สกว่ากิโล <c oughs> เป็นวัของเนี่ยาเนี่ยของลูกศิษย์ของพระอาจารย์หวันพรอาจารย์หวันท่านไปสร้างอะไรแล้วเขามาขอสร้า ง, างกัะถางมีดีตอนแรกเขาจะมาสร้างวันนี้แล้วทีนี่มันบอ ก, ก, บอกว่มบนนี้มันลำบากมันของป่าไม้ของต้องขออนุญาตหลายฝ่ายหลายทวกเขาก็เลยไปไปไปสร้างที่วันกั เขาก็มานิ่มวนให้ไปเ็าบอกลองตามานี่มวนให้ไปเขาไปดีหลวงญาติดนที่นีกันม า, มาอานี้เดี๋ยนี้หลวงาก็ไปทีนน่นึ่งด้วยัที่าคาะทียที่เอราวันรีสอร์ทเมื่อเช้าจะางที่นี่รลค้ง่คะคาอรัเพเคยมาค้างที่นี่คงจะฉันช้าพ่นี้แล้วแรับท่าป่าในก่อนที่ท่านจะกลับแต่มาก็ไม่ค่อยได้เจอท่านเลยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าห่างท่าน ว่าเราก็ทางคนบาทงทำหน้าที่หมครับไม่มีอไรแต่คนไม่เข้าใจก็อาจจะว่ารักครูบาอาจารย์มาใกล้ขนาดนี้ไม่ไปกราบไม่ไปเยี่ยมไปอะไรเวเราอยู่ในวัดท่านเราก็เป็นแบบนี้เราก็ไม่เคยไปกาไราบไปเยี่ยมท่ทีเราอยู่ของเรา <laughs> เก็เจ้ท่านก็ตอนทํากิจร่วมกันเช่นตอนเช้าไปฉันรินตบะอะไรแบบนี้ถ้าถ้าไม่มีกิจร่วมกันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปมันอาจจะเป็นนิสัยของเราแลก็มี คนอาจจะไม่เข้าใจอะ okay. okay.